นรรมชาส ก, การพระ้าจาย์ปาลมีพระคุณเจ้าทุกลูกคุณแม่ชีกาลยมิตรทุกท่านนั่งสบายๆนะพราะกูจะบอกเรื่องพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเราปฏิบัติรอบเช้าเสร็จกูนะบาอาจารย์พระคุณเจ้าฉันเช้าเสร็จพวกเราก็ทานข้าวเช้าเสร็จก็เดินทางไปที่ด่านเม่นนะ เขาจะเริ่มพิธีประมาณ8ดโมงครึ่งนะก็มีสองงานงานหนึ่งคือพวกพนักงาน True Vision ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีมาสร้างฝันเด็กที่น่นก็จะมีผ้าป่าคอมพิวเตอร์ก็วันนี้คอมพิวเตอร์ก็มาติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมด46เครื่องก็พอดีขูโก้ที่นุน่นก็ไปเชิญพามมาตั้งศาลพระภูมิเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ระบุว่าต้องเป็นวันที่4พฤษภาคมเนี่ยตั้งศาลพระภูมนะิก็เขาก็เร่งงานกันเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี้ก็พรุ่งนี้ก็มีสองงานตอนเช้าก็ทำพิธี ตั้งสารพระพมก่อนแล้วก็เสร็จแล้วก็ทอดพระปาแล้วก็พระภิกษุคุณไม่ชีก็ฉันเพนที่นุน่นนะพวกเรายาติธรรมทุกคนก็ถือโอกาสทานข้าวที่นุน่นค่อยกลับมาเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ครึ่งวันตอนช่วงเก้าโมงเช้าเราไม่มีปฏิบัติและที่นี่ไม่มีข้าวกิน <c oughs> ถูกบีบบังคับต้องไปกินที่นุน่นนะ ไปเพราะครูบอกว่าต้องไปเมื่อกี้เพิ่งกราบเรียนพระอาจารย์พระอาจารย์ปรมีเนี่ยมาอยู่ที่นี่ท่านมาพำนักที่นี่ 3, สามพันศานะตั้งแต่ศูนย์นี้ไม่มีอะไรเลยนะท่านมาปลูกต้นไม้ขุดบ่อน้ำสร้างศาลานะเรามาลุยกันนะเมื่อท่านครบสามปีแล้วเนี่ย ท่านกลังท่านฝึกบอกท่านไม่ติดสถานที่ท่านก็จาริกไปนะมุ่งทางเหนือบ้างทางไหนบ้างไปสร้างบารมีตอนนี้ก็เลยได้นิคเนมก็คือบารมีปกติท่านมีนามพระอาจารย์ยงยุทธนะซึ่งเป็นสหมิธรธมิก ที่แน่นแฟ้นของศูนย์พลาน่อยนะพวกเราไม่แข่งไม่คัดแต่เราตั้งมั่นเราเสมอต้นเสมอปลายเหมือนศูนย์เรานี่นะศูนย์เราไม่มีกติกาอะไรทั้งนั้นไม่มีข้อบังคับแม้แต่ข้อหนึ่งนะเราไม่แข่งเราไม่เคเรเคียดแต่เราเสมอต้นเสมอปลายเช้าสายบ่ายเย็นไม่มีวันหยุด ไม่มีวันหยุดไม่มีวันพระวันโยมเป็นวันปฏิบัติทุกวันนะการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่ไปเข้าคอร์สฝึกวิชาใดๆทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการเจริญมรรคผลนิพพานการเจริญมรรคก็เหมือนเรากินข้าวทุกวันเราอาบน้ําทุกวันนะไม่ใช่ว่าวันหนึ่งอาบวันนึงไม่อาบวันหนึ่งกินข้าวไม่กินข้าวไม่ใช่ ไม่ใช่ปีหนึ่งสาม้อยหกสบห้าวันแล้วก็ไปเข้าคอร์สปฏิบัติฝึกจิตเจ็ดวันไปนั่งขังกันเจ็ดวันสิบวันแล้วก็เข้าไปฝึกปุ๊บก็บางทีใช้อุบายว่าปิดวาจาห้ามพูดเพราะชีวิตเราพูดตลอดแล้วก็คนนั้นก็พูดคนนี้พูดเวลาเราไม่พูดเราก็ได้ยินนะเผลอปุ๊บก็งดเย็ดเขาก็เลยใช้วิธีว่าปิดวาจาห้ามพูด แล้วก็รู้สึกดีนะดีดีหูก็ไม่หนวกหูนะก็ไม่ต้องเปลืองวาจีกรรมแต่พอกลับบ้านต้องพูดแก้แค้นเพราะมันไม่ได้พูดสิบวันนะคือไปกดมันไว้แต่มาศูนย์นี่ไม่ใช่นะมีอะไรข้างในนี่เอาออกมาให้หมดเทที่ศูนย์นี่ยากลับบ้านเดี๋ยวพอคูกวาดเองไปที่บ้านมันถึงที่เกียจพูดน่มันไม่มีอะไรจะพูดมันเหนื่อยแล้ว ธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงการที่เอาความจริงมาสนทนากันคือการแสดงธรรมอย่างหนึ่งธรรมะไม่ใช่ภาษาบาลีธรรมะไม่ใช่อยู่ที่ภูเขาหิมาลัยหรือที่อินเดียเท่านั้นเองธรรมะคือธรรมดาธรรมดาหิวก็กินง่วงก็นอนคือธรรมชาติแต่ตอนนี้ธรรมะถูกปั้นให้เป็นดุนๆุนเป็นตัวหนังสือเป็นเล่มเล่มนะ เป็นชุดเป็นรูปแบบตายตัวว่าธรรมะอะไรที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่ธรรมะเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งสิ้นธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะไอ้ที่ไม่มีธรรมะนั่นแหละคือตัวธรรมะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะแล้วจะมีธรรมะได้อย่างไรนะปัจจุบันถ่ายทอดไม่มีธรรมะเพราะมีรูปแบบชัดเจนมีของเธอของฉันมี มีถูกมีผิดมันก็เลยไม่ใช่ธรรมะธรรมะที่แท้จริงไม่มีธรรมะเพราะไม่มีไม่มีตัวหนังสือมันไม่มีภาษาด้วยมันจะมีถูกมีผิดได้อย่างไรถูกผิดดีชั่วเป็นเรื่องของภาษานะภาษาก็มนุษย์สร้างขึ้นแลนะตอนนี้ธรรมะคืออะไรรู้ไหมก็คือไปนั่งฟังเขาบอกเราว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมันไม่ใช่ธรรมะ มันเป็นองค์วิชาเท่านั้นเองนะเพราะครูพูดบ่อยๆว่าสิ่งที่ผู้เจ้าตัดสรุนั้นคือความจริงแต่สิ่งที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยแปลงออกมาปุ๊เป็นภาษาแล้วจะเป็นภาษาบาลีสันสกิตหรืออินเดียโบราณหรือแปลเป็นไทยก็ช่างเนี่ยมันเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นมันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นแต่พระพุทธองค์เนี่ยใช้หลักภาษามาบอกเราว่าท่านจงมาดูเถิด ปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตภาษาพูดได้แค่นั้นเพราะสิ่งที่ผู้เจ้าตรัสรู้นั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้พูดแล้วมันจะเลอะเลือนนะเหมือนหลายคนเนี่ยเขาสงสัยเนี่ยหลวงพ่อชาก็คือก็อาจารย์พ่อคูนั่นแหละคนอุบล น, น่ยท่านเขาถือว่าท่านเป็นอาจารย์แต่สมัยเด็กๆเราไม่มีโอกาสมาเรียนรู้พุทธธรรมอะไรมากมายไปกราบท่านบ้าง ไปทำบุญกับท่านบ้างนะเคยมีคนถามมาท่านจบปหนึ่งหลวงพ่อทำไมเก่งจังไปสอนฝรั่งได้ท่านบอกว่าฝรั่งไม่ยากหรอกจูงไปจูงมาเหมือนกัวเหมือนควายมันก็เชื่องไม่ใช่ฝรั่งเป็นควายนะไม่ใช่ไม่ใช่ยกตัวอย่างว่าควายต่ำไม่ใช่ควายมันบางทีมันดีกว่าคนหลายคนนะควายมันถือศีลกินเจนะมันกินมันไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะเห็นไมมันไม่มากเรื่องด้วยเห็นไหม เราจะไปว่าควายมันต่ำแต่เรายกตัวอย่างว่าทำไมชาวนาสอนควายไถายนาได้แต่ทำไมด็อกเตอร์สองคนมันคุยกันไม่รู้เรื่องทำไมยิ่งเรียนก็ยิ่งพูดกันไม่รู้เรื่องไม่พูดไม่รู้ภาษาพอมไปหลงภาษาไงภาษามันยากเกินไปที่ว่าทุกคนอ่านปุ๊บเข้าใจเหมือนกันเห็นหั้มพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะอะไรล่ะ เพราะไปหลงภาษาแต่ชาวนาพูดภาษาควายไม่เป็นแต่สอนควายไถายนาได้เห็นไหมเพราะบางอย่างไม่ต้องผ่านภาษาทีนี้หลวงพ่อชาท่านเคเลยก็มีฝรั่งถามก่าท่านเหมือนกันนะ่แหละเหมือนกันถามมึงกันนะท่านบอกว่าเอาน้ำร้อนมาแก้วหนึ่งท่านก็ชี้ลูกศิษย์ท่านไออังกฤษนะ่ะเอามือจุ่มลงไปมันก็จุ่มพุทมันก็ร้อนไงไอเยอรมันจุ่มลงไป จุ่มมมัก็รอนเห็นไหมเออชาติไหนจุ่มมืยก็รอนท่านบอกว่าท่านไม่ได้มาสอนภาษาท่านสอนให้เห็นความจริงธรรมะคือสัจธรรมคือความจริงแต่ตอนนี้ธรรมะกลายเป็นภาษาเป็นดุนดุนไปนั่งพูดให้เขาทำตามตัวเองมันไม่ใช่ธรรมะมันเป็นองค์วิชาเท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ผิดนะ แต่ถ้าไปหลงว่านั่นคือธรรมะแล้วเนี่ยมันผิดมหันเพราะมันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ตอนนี้เราไปหลงติดถ้าไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยเระบอกไม่ใช่พราครูก็เคยได้ยินคําถามมาตลอดนะเมื่อวานนี้หลวงพี่ท่านหนึ่ง อ, อรูปหนึ่งท่านก็เมตตาอุตส่าห์มาแลกเปลี่ยนเพวกครูท่านถามว่าพวกครูนี่อันนี้ไม่ใช่สะกดจิตหรือ สะกดจิตเนี่ยพอเราฟังปุ๊บเรามีความรู้สึกยังไงคล้ายๆว่าถูกครอบงําด้วยพลังอย่างหนึ่งการทําสมาธิคือการสะกดจิตเป็นการสะกดให้จิตเราเกิดความสงบนั่นคือสะกดจิตตัวเองใช่ไหมแต่สะกดจิตอีกอย่างหนึ่งคือว่าใช้พลังอํานาจที่เหนือกว่าเนี่ยสะกดคนอื่นให้อยู่ภายใต้อานาตเรานั่นเขาเรียกา ถ้าเราสะกดจิตแบบนั้นน่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันไม่เกิดปัญญานะแต่การสะกดจิตตอนนี้มีนะเมืองไทยมีแล้วไปเรียนที่เมืองนอกเข้าคอสแค่เจ็ดวันไปเรียนสะกดจิตกับฝรั่งแล้วก็เกิดกลับมาปุ๊บเปิดคอสใหญ่โตเลยเป็นธุรกิจสะกดจิตบางคนชอบก็วิ่งเข้าไปให้สะกดจิตไปเสียงเงินไปสะกดจิต ไม่เคยต่อว่าเลยว่าสะกดจิตไหมเหมือนบางคนถามพระครูว่าเอ๊ะอันนี้มันเข้าทรงหรือเปล่าพระครูยังไม่รีบไหวอีกพ อ, พอพอภูเก็ตเขาเข้าทรงเลยนั่งเครื่องบินไปไหว้ทรงพออันนี้เอ๊ะทรงหรือเปล่ายังไม่รีบไหวอีกอันนี้ไม่ใช่ทรงอันนี้ยิ่งกว่าทรงอีกคืออะไรที่เราไม่เคยพบเคยเห็นล้วก็ตั้งโจก่อน คล้ายๆกึ่งกกล่าวโทษแล้วยกตนขอมท่านวจีกรรมเมื่อกี้นั่งรถมาพวกครูก็ไม่รู้ล่ะทุกวันเสาร์ก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะก็เราคุยกันมาเมื่อเกินวันนี้ญาติธรรมที่มาจาก True v ว s i o n เขาเห็นเขาเรียกว่าละที่แก้วเขาอยู่ในเว็บไซต์ล่ะเขาเขาไล์อะไรกันนะเมื่อวันก่อนแก้วเพิ่งลงไปพวกคู วันนั้นสนทนาทางปรญญาชญ์ที่ทำที่ที่พอมันปิ๊งขึ้นมาเออบอกจดไว้หน่อยหนึ่งเขาพูดยังไงรู้ไหมจิตข้างในเขาบอกว่าการขยันพูดความจริงในทุกๆเรื่องนั้นมันเลวหลายยิ่งกว่าการพูดโกหกในบางครั้งเพื่อให้หลายคนตีความไม่ได้เอ๊พะพ่อคูหมายถึงอะไรหมายถึงพ่อครูสอนให้โกหกถึงจะดีใช่ไหม บางครั้งโกหกดีกว่าพูดความจริงเ้าบอกว่าอธิบายหน่อยนะบางทีเราคุ้นเคยว่าภาษาคำว่าโกหกปุ๊บมันจะมีลงท้ายด้วยหลอกลวงโกหกเพื่อจะหลอกลวงอันนั้นไม่ดีแน่แต่ถ้าโกหกเพื่อให้อันนี้เป็นกุศลยกตัวอย่างมีไอ้คนนึ่งมันวิ่งมาถือปืนมาเลย มันวิ่งมันจะฆ่าคู่อริมันมันถามว่าเราเห็นไหมเราเห็นเราบอกเราไม่เห็นบางทีมันเลี้ยวซ้ายเราบอกโก้กันมาบอกเลี้ยวขวาเพื่อไม่ให้มันสร้างกรรมถามว่าอย่างนี้ดีไหมแต่ถ้าเราบอกความจริงบอกเฮ้ยมันเลี้ยวซ้ายไปนะเราเราส่งเสริมให้ฆ่าอย่างนี้ดีไหมพอไปเจอแฟนเขาไปกระชู้เราต้องพูดความจริง ไปฟ้องเพื่อนเราดีกว่าแฟนมันไปมีชู้ไปบอกเพื่อนเขาแล้วให้มันทะเลาะ ก, กันเนี่ยความจริงอย่างนี้ดีไหมตอนนี้ทั้งบ้านทั้งเมืองกำลังพูดความจริงกันพูดความจริงให้คนทะเลาะ ก, กันมันดีไหมนี่แหละการขยันพูดความจริงในทุกๆเรื่องเนี่ยมันเลวร้ายยิ่งกว่าบางครั้งโกหกบางครั้งเพื่อให้กำชี้เจตนา ต้องดูว่าที่เขาโกหกนี่มีเจตนาเพื่อหลอกลวงไหมหรือโกหกเพื่อให้เขารอดพ้นแต่ทุกวันนี้สังคมเราเนี่ยไปติดในรูปแบบนะหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าใครผิดศีลแบบนี้เนี่ยเป็นคนชั่วเป็นคนเลวใช่ไหมามานั่งนี่ลูกไหมมานั่งกับพ่อครูยหม ก็บางครั้งเนี่ยเราอ่านเราจะเป็นหลงภาษาตามความรู้สึกเราเห็นไก็เร็วๆนี้เหมือนกันปีที่แล้วก็มีพระคุณเจ้ามหาวิลัลสงฆ์ที่อุบลเนี่ยมาเข้าค่ายที่นี่หลายร้อยรูปบังเอิญมีครูบาอาจารย์ท่านเป็นนักวิชาการท่านก็มาลั่งสนทนาพรครูเราแลกเปลี่ยนดีมาก เราแลกเปลี่ยนท่านก็ถามพระครูว่าไอแนวที่พระครูทำเนี่ยจะเอาสมณะสารูปไปไว้ที่ไหนพระครูบอกผ้าจารย์เอาไว้บนหิ้งเอาไว้ฝากไว้บนหิ้งก่อนถ้าเจริญวิปัสสนาแล้วยังไปแบบรูปอยู่ก็รูปไงก็รูปไงอัตตาไงแล้วไปติดรูปแบบไง แต่ถ้าเราทำกิจของสงฆ์แล้วเนี่ยเราละเลยไม่ได้มันเป็นสมมติบัญญัติก็จริงเนี่ยแต่เราทำลายสมมติบัญญัติมไม่ได้เราต้องช่วยกันดูแลรักษานะครูบาอาจารย์ท่านบวชไม่แต่หนึ่งวันเราต้องเคารพท่านใช่ไหมอันนี้คือรูปแบบเป็นส ม, มณะสารูปแต่การเข้าไปสู่วิปัสสนาแล้วเนี่ยต้องเอาส ม, มณะสารูปไว้บนหิ้งก่อนท่านจะแบบตัว น, นี้ไปนิพพานด้วยไม่ได้มันหนัก ถ้าเราไม่ปลดตัวนี้ติดยุคนั้นแหละไปไหนก็แบกหัวขวนไปด้วยแล้วมันจะไปไหนทางไปนี่ผ่านนะเพราะครูจะชี้ทางให้นะเอากระดาษขาวมาแผ่นหนึ่งยืมเข็มกับพี่ปุ๊กมาอันหนึ่งเนาะไปเจาะป๊อกไอ้ลูเข็มยังใหญ่เกินไปเลยต้องหารไม่รู้กี่ร้อยเท่าเราจะแบกไอ้ส ม, มณะสาลูกไปด้วยได้ไหมมันเข้าไม่ได้มันใหญ่เกิน แล้ววันนี้ก็แปลกไปเจอพนัก ง, งาน t ทรูวิชันเออท่านนั้นก็มากับพ่อครูโดยเมื่อกี้นี่นะก็มาพักที่นี่ใช่ไหมเอออยู่ๆก็ถามพ่อครูเพื่อนที่ทํางานที่จบด็อกเตอร์แล้วเนี่ยทําไมมันโกรธง่ายจังเลยแปลกนะเมื่อเช้านี่ก็คุยกับอาจารย์อ้อยเหมือนกันเพิ่งเคยเจอดอกเตอร์ด่ามาจากขอนแก่นด็อกเตอร์ดาาากก่าดอกเตอร์ แล้วพ่อครูถามว่าเออแล้วโกรธมันดีหรือเปล่าล่ะโกรธมีความสุขไหมก็บอกมันไม่ดีแล้ววิชาเรียนจนสูงสุดแล้วทําไมโกรธล่ะรู้จริงหรือเปล่าเวลาโกรธมันหลังสารอะไรไม่รู้เลยทําร้ายอารมณ์ทําร้ายร่างกายแล้วด็ตอร์ทาไมชอบโกรธแล้วเขาก็บอกพ่อครูว่าเขาบอกเพื่อนร่วมงานนะอย่าเรียกคุณนะอย่าเรียกชื่อเขานะ พ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงส่งจนจบล็อกเตอร์แล้วเธอจงเรียกชื่วกราล็อกเตอร์อะไรมันจะฝ่านนันบอกพามาหาพ่ะครูหน่อยพ่อครูจะสอบอารมณ์ล็อกเตอร์บ้านเมือมันถึงไปไม่รอดไงมันก็ยิ่งเรียนมันก็ยิ่งโง่ไงคนโง่ไหมอาจารย์พระพยนพูดยังไงโกรธคือโง่โมโหคือบ้า เรียนจนถึงขนาดนี้ทำไมโง่จังทำไมทำให้ตัวเองโกรธทำไมอ่ะโกรธแล้วมันคือทุกข์ไงเก่งจริงหรือเปล่าและแล้วคนพวกนี้น่ะพูดเสียงดังทั้งโลกทั้งบ้านเมืองตอนนี้เนี่ยมันจะไปไม่รอดแล้วก็ไอ้คนพวกนี้แหละไปหลงตัวรู้ของตัวเองปี4ี่ศูนย์นะเศรษฐกิจเมืองไทยล่ม IMF ขึ้นมันเข้ามาพวกครูก็จับปากาขึ้นมาเขียนเกษตรเพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อธุรกิจทํามาหากินไม่ใช่ทํามาหาขายใครไปอ่านก็ได้นะนะที่ศูนย์แจบอยู่ในนั้นมีข้อความหนึ่งยิ่งแหลมยิ่งคับแคบยิ่งคมยิ่งเปาะบางมีด็อกเตอร์คนหนึ่งเคยเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลตอนนี้กเกษียณแล้วอ่านหนังสือเล่มนี้นี่วิ่งเข้ามาหาพวกคู เขาเป็นวิศวกรเขามาขออนุ ญ, ญาตพระครูพิมพ์ห้าพันเล่มจะไปแจกปัญญาตีแค่นี้ปริญญาตีแค่นี้ปริญญาโทรเถอบมาใกล้ๆหน่อยหนึ่ง ปริยายเอกแหลมนิดเดียวมองเรื่องเดียวเก่งเรื่องเดียวแล้วไปหลงว่าฉันรู้วันดีคืนดีก็เอาเมียมาแล่เนื้อวันดีคืนดีก็เอาไม้ก๊อบตีเมียตายวันดีคืนดีคิดจะโกรธลูกน้องก็โกรธเอาพราครูที่พูดยกตัวอย่างด็อกเตอร์ไม่ใช่ว่าด็อกเตอร์เป็นคนไม่ดีนะแต่ความเป็นด็อกเตอร์วิชาความรู้ที่เขารู้มาเน่ะ ส่วนใหญ่เกิดจากการท่องจำเรียนแบบเข้ามาสิ่งกั้นบังวิสัยทัศน์คืออัตตาอัตตาเกิดขึ้นจากความรู้ซึ่งขาดปัญญาความรู้ซึ่งขาดปัญญาเกิดจากการไปท่องจำเรียนแบบเข้ามาความรู้ซึ่งมีปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตตอนนี้มีแต่ท่องจำเรียนแบบเข้ามาอยากมากที่สุดก็เก่งเท่ากับไอสไตน์ ไม่มีการพัฒนาเลยเราเกิดมาเราโชคดีมากเจอพระพุทธเจ้าแล้ว เ, เจอไอสสไตล์ลวเราก็ต้องเก่งกว่าไอส์สไตล์จีวันนี้ก็มีท่านมาเป็นครั้งแรกนะมาใหม่หลายท่านพอ ก, กูก็จะชี้แจงสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่นะอะไรคือมรคจิตนะอะไรที่เรียกว่ามรคจิต การปฏิบัติธรรมนั้นเราไปคุ้นเคยว่าเราเข้าไปฝึกสมาธิเจริญสตินะสังคมเมืองไทยตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องถูกนะมันเป็นขั้นตอนนะเป็นขั้นตอนนะแต่ทีนี้ถ้าขั้นตอนแค่ฝึกสมาธิเจริญสติเขาไม่ได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมนะเป็นแค่ฝึกวิชาสมาธิสติปฏิบัติธรรมต้องเจริญมรรคผลนิพพาน มัคผลนิพานไม่ใช่สติผลนิพานไม่ใช่สมาธิผลนิพานแต่การเจริญมัคต้องใช้สมาธิใช้สติสมาธิสัมมาสมาธิก็เป็นหนึ่งในมัคมีองแปดสัมมาสติก็เป็นหนึ่งในมัคมีองแปดเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในมัคมีองแปดแต่ไม่ใช่ตัวพระเอกแต่ตอนนี้เราไปที่ไหนเขาก็ชูสติเป็นพระเอกหมดก็เลยไม่ไปไหนไง นะบางทีฝึกสามสี่สิบปีเนี่ยมันก็ได้ความสงบชั่วครู่แต่มันเข้าถึงกล่องปัญญาไม่ได้นะไอการฝึกสมาธิสติเป็นอุบายวิธีเพื่อสะสมพลังให้จิตเนี่ยมีกำลังมากจะได้เข้าไปในจิตในจิตนะไปเจริญมหาสติมหาสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมต้องรวมกันเป็นหนึ่งนะที่ผู้เจ้าตัดไว้ใน อ า, อาณาปณะสติสูตรน่ะชัดเจนมากพระองค์ตัดไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปณะสติอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์กายเวทนาจิตธรรมต้องบริบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวในขนาดจิตเดียวแต่ตอนนี้เราฝึกสมาธิสติบริบูรณ์ไหมออบางคนก็อยู่ที่ลมหายใจจะตั้งชื่อว่าพุทโธธรรมโมสังโฆ มันเป็นชื่อสมมุติเรียกในพระไตรปิฎกก็ไม่มีคำว่าพุทธโภนะกรรมาฐานสี่สิบกองที่พูะเจ้าพูดนะก็ไม่มีในอนุสติส0บเขามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังคานุสติอันนี้เพื่อละลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่มีคำว่าลมหายใจมาอยู่ในส่วนของอาณาปานาสติ เป็นอนุสติเป็นหนึ่งในสี่ิกองกรรมฐานเป็นสมมัถะกรรมฐานนะเราเริ่มต้นจากอาณาปณสตินะลมหายใจเข้าออกคืออาณาคืออากาศเรามีหน้าที่พัฒนาอาณากลายเป็นปานะขึ้นมาเป็นปรานนะถ้าเป็นสายมหายานไหนเ้าฝึกไถ่เก๊กฝึกขี้กงคำว่าขี้กงก็คือฝึกลมปาน ทำให้มันเกิดลมปานขึ้นมาไม่ใช่ว่าสามสี่สิบปีก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสั้นก็รู้ยาวก็รู้นะมันก็ได้ความสงบชั่วครู่เราต้องสร้างลมปานขึ้นมานะก็เหมือนรถยนต์เห็นไหมเครื่องยนต์เนี่ยถ้ามันไม่หมุนเนี่ยมันไม่มีพลังเราต้องหมุนเครื่องยนต์ให้มันติดเห็นไหมเราก็ต้องหมุนเนี่ยลมหายใจเข้าออกคืออาณาต้องพัฒนาอาณากลายเป็นปลานะขึ้นมาติดเครื่อง เมื่อเครื่องยนต์มันติดแล้วเนี่ยมันก็เกิดพลังงานนะแรงเหวี่ยงทำลายสนามแม่เหล็กอย่างเฮลิคอปเตอร์เราหมุนเบาๆนี่เหาะไม่ได้พอเราเร่งสปีดมันเนี่ยมันเอาก้อนเหล็กหลายพันกิโลเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่เหาะได้เลยเห็นไหมใบพัดเล็กๆเองเนาะเขาสามารถเอาน้ำหนักยกขึ้นไปจิตเราเหมือนกันถ้าเราสร้างลมปานให้เขาแล้วเนี่ยแรงเหวี่ยงของเขาเนี่ยจะตัดกระแสรแรงดึงดูดของอยตนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมทั้งความคิดด้วยมันก็จะหลุดจากแรงดึงตรงนี้เข้าไปสู่จิตในจิตเหมือนเราหมุนลูกห่างเราต้องใช้สองนิ้วหมุนหมุนปุ๊บมันก็เวียงเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมามันนิ่งเองเราไม่ได้ทําให้มันนิ่งเลยเห็นไหมแรงเวียงนั้นมันตัดกระแสแรงดึงดูดต่างๆนะเมื่อมันอิสระแล้วมันก็นิ่งเมื่อมันนิ่งแล้วมันก็หลุดออกมาไหวนิ่งหลุด จิตก็เหมือนกันแต่ที่นี้เราใช้อุบายวิธีต่า ง, า ง, างนนๆนานาเนี่ยบางทีมันฟลุกนะลมหายใจสั้นก็รู้ยาวก็รู้ถ้ามันยาวมันไปชนหัวใจเมื่อไหร่มันจะเกิดแรงดึงระหว่างใจกับจมูกผู้เจ้าตัดไว้ว่าบัพชิตไม่เสพส่วนสุดตรงสองส่วนระหว่างข้างนอกกับข้างในข้างนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายข้างในคือใจหัวใจเป็นเซนเตอร์ เป็นตัวรู้อารมณ์เวทนาเกิดขึ้นที่ใจพอได้ยินเสียงที่หูปุ๊บมันจะดึงมารู้ที่ใจนะชอบใจไม่ชอบใจดีใจไม่ดีใจมาอยู่ที่ใจฟ้าผ่าลงมาหูได้ยินเสียงปุ๊บตกใจนี่คือขบวนทํางานกระบวนการทํางานของวิญญาณหกวิญญาณรับหูเสียงปุ๊บมันไม่รู้ว่าเสียงอะไรมันก็ส่งมาให้มโนวิญญาณเข้าไปในกล่องบันทึกโปรแกรมเราคือไปเว็บไซต์ ถ้าเราเป็นคนไทยเราบอกเสียงนายแดงมันร้องถ้าเป็นฝรั่งบอกเสียงมิสเตอร์เรดเราบันทึกความรู้โดยภาษาที่ต่างกันเห็นไมถ้าเราบันทึกไว้ว่าเราไม่ชอบไอ้แดงเราไม่เหม็นหน้าขี้หน้าไอ้แดงเราบันทึกสัญญาไว้เราเกียด ม, มันมากแค่ได้ยินเสียงมันเฉยๆเราก็วีนแล้วเราก็เบื่อแล้วก็หมหงุดหงิดแล้วเห็นไมเพราะเราบันทึกสัญญาไว้ตรงนั้น นี่คือขระนวนการทำงานของมันนะแล้วบางท่านก็ถาม่าเอ๊ะปฏิบัติธรรมทำไมต้องเสียงดังยังกับดิสโก้เทคเพราะครูบอกว่ายังไม่พอมันแรงยังไม่พอกำลังหาวิธีอยู่หามาแล้วยังไม่เจอนะแบบวิธีแบบไหนเอาค้อนอยางตีหัวปุ้งบรรลุธรรมเลยยังไม่เจอมวดอจะช้าช้าได้พาเร่มงามเดินไปกกิโลเมต่อชั่วโมงขวาซ้ายขวาซ้าย มันไม่ได้ผิดนะตอนอันนี้อย่างนี้ต้องไปอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าอย่าไปพบผู้คนอย่าไปเจอกระทบผัสสะใดใทั้งนั้นสะสมแต้มไปเรื่อยๆบรรลุทําได้เหมือนกันแต่บางครั้งอาจจะตายก่อนเพราะตอนนี้ไม่มีป่าอยู่แล้วแล้วไปอยู่ในป่าไหนก็ช่างโทรศัพท์ไร้สายมันเข้ามาขึ้นมันเข้ามานะมันไม่มีป่าอยู่แล้ว อย่างหลักการของวัดป่าเนี่ยครูบาอาจารย์พวกครูเองหลวงพ่อชาเดชท่านก็เป็นเจ้าลัทธิเจ้าของหลักสูตรวัดป่าเลยล่ะถ้าท่านอยู่เนี่ยลูกศิษย์ลูกหาไม่เป็นแบบนี้ชื่อวัดป่าจะเป็นวัดโยมหมดวัดป่าเนี่ยต้องไปอยู่ในป่าต้องตัดโลกภายนอกเพราะเทคนิคมันเป็นอย่างนั้นเพราะเรายังไม่แข็งแรง แต่ถ้าเราใช้เทคนิคที่สู้ความจริงเอาเลยประเชิญเลยนะอันนี้ก็เผอได้แต่ก็ต้องชนะได้เหมือนกันเอาเป็นว่ามันเป็นอุบายวิธีที่ต่างกันอุบายวิธีอย่างหนึ่งว่าใช้หลบหลีกอุบายวิธีเนี่ยสู้กับมันนะแต่ละอุบายเนี่ยมีทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบอยู่ในตัวมันเองอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเน่เอาจริงไหม วิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำไม่ดีถ้าเราไม่มีนิพนธ์นเป็นเป้าเสร็จหมดเดินมาสบายดีเผลอเลอะปุ๊บถูกตีหัวเพราะมันไม่มานข้างนอกนี่เรื่องเล็กนะแต่มานในใจเราเองเนี่ยเผลอไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นรรอยๆทำไมไมันต้องเกิดขึ้นกับเรา มียายคนหนึ่งมาบ่นกับพระครูว่าถ้าจาความได้มาถึงที่นี่เนี่ยไม่เคยทำความชั่วเลยทำไมต้องเจ็บๆอดๆอดๆแอดๆบอกคุณยาอย่าแกล้งลืมของเก่านะมันไม่ใช่เรื่องชาติเดียวนะเราเราสร้างมาหลายภพหลายชาติหลายอสงขัยแล้วทั้งกรรมดีกรรมกรรมไม่ดีเนี่ยนะอย่าลืมของเก่านะกรรมเก่าบวกกรรมปัจจุบันคือผล บุญเก่าบวกบุญปัจจุบันคือผลแต่ตอนนี้เนี่ยคงสร้างพุทธศาสนาในบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าสังคมเราสังคมไทยเป็นสังคมเล็กๆและมีการแข่งขันยื้อแย่งแรงมากเลยเกิดวิตกจริตแต่ว่าแต่คนอยู่ข้างนอกสายธรรมนะคนอยู่ในสายธรรมเองในสายพุทธเองเนี่ยก็แยกกลุ่มแยกกวนเอาอุบายวิธีมาตั้งเป็นแบรนด์เนมมาเป็นยี่ห้อนะ ของฉันดีของเธอไม่ไม่ของเธอไม่ดีนะหลังจากไอ้นังสือสามชั่วโมงมารู้ธรรมออกไปนี่นะทั้งก้อนอิดดอกไม้ลอยมาพร้อมกันนะ่ะนะพ่อครูรู้แต่ทั้งก้อนอิดดอกไม้พ่อครูไม่รับหรอกนะแล้วก็ไม่ต้องโกรธด้วยไม่ต้องให้อภัยเขาด้วยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันก็เป็นเช่นนั้นเองบางคนเขียนจดหมายเนะ่เขียนมาเลยนะเออมาเตือนสติพ่อครูมาสอนพ่อครู ว่าพวกครูเนี่ยสอนนอกศาสนาสอนไม่ให้ฝึกสมาธิจเจริญสติพวกครูไม่ได้พูดสักหน่อยหนึ่งพวกครูบอกว่าไอตัวนั้นเน่เป็นการฝึกส ม, มถะกรรมฐานเป็นบาฐานเบื้องต้นนะเป็นส ม, มถะเป็นบาฐานเบื้องต้นเป็นกําลังเกื้อหนุนวิปัสสนาแต่อยู่ไปอยู่มาไปติดมัน ไปเอาอุบายวิธีมาเป็นเป้าหมายไปกอดมันไว้ล่ะหลวงพ่อชาก็เตือนนะท่านก็สอนอาณาปณสตินะแต่ทำไปทำมาก็ไปติดจับลมหายใจเข้าออกอะไรท่านเคยเตือนว่ามัวแต่ถือศี น, นั่งสมาธิมันจะไปไหนก่อนนี้พ่อครูก็งงอยู่ถือศี น, นั่งสมาธิมันก็ดีแล้วเนี่ยเออท่านบอกไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีท่านบอกว่ามันจะไปไหน มันก็อยู่กับศีลอยู่กับสมาธินั่นแหละมันเข้าไม่ถึงปัญญามันเข้าไม่ถึงกล่องปัญญาหลายแห่งก็ไปว่าเจริญสติเธอต้องมีสตินะเธอต้องมีสตินะมีอยู่แล้วกันทุกคนไม่มีมันเดินตกเหวตกบ่อตายกันไปหมดแล้วเรามีอยู่แล้วตามธรรมชาติสติสัมโพชฌงค์ต้องใช้มนันไม่ใช่มวยไทยฝึกตอนนี้สังคมบ้านเราเอาสติเป็นพระเอก พวกครูเคยแลกเปลี่ยนครูบาอาจารย์เนี่ยพวกครูต่อต้านการเจริญสติไม่ได้ต่อต้านแต่ถ้าไปอยู่แค่นั้นมันก็ไม่ไปไหนเพราะเป้าหมายที่เราปฏิบัติทำไม่ได้อยู่ที่สติตอนนี้เราเราชะล่าใจนะถ้ามีสติแล้วจบทุกอย่างดีหมดพวกครูบอกจริงเหรอพวกครูก็เรียนถามท่านว่าอาจารย์อาจารย์ว่าโจรมันมีสติไหมถ้ามันไม่ใช้สติไม่ใช้สมาธิมันป้นสำเร็จไหม มันยิ่งต้องใช้สติใช้สมาณิมากกว่าพวกเราอีกแต่มันไม่มีศีลมันไม่มีปัญญาพวกครูก็เรียนถามท่านว่าทางไปค้นทุกข์คือมรรคมีองค์แปดก็ย่อมาจากไตรสิกขานั่ยแหละศีล ส, สมาธิปัญญาถามว่าสติอยู่ไหนเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนทานศีลภาวนาสติอยู่ไหนไม่เห็นมีหน่อยหนึ่งแต่ไม่ใช่สติไม่สาคัญ สติเป็นแค่เครื่องมือในการเจริญมรรคแต่ไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เป้าหมายศีล ส, สมาธิปัญญาเป้าหมายคือปัญญาศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราเป็นคนชั่วเป็นมันคืออัตตาถ้าติดดีน่ะก็ทุกมากกว่าติดชั่วอีกศาสนาพุทธสอนให้เราพ้นทุกข์ ถ้าจิตโง่มันพ้นทุกข์ได้หรือเปล่ามันไม่ได้มันก็ถูกความโง่เราทาให้เราทุกทุกวันนี้เห็นไหมเพราะเราไปรู้อะไรโง่โง่ไงเราถึงทุกข์ไงถ้าเราไม่เกิดปัญญาแล้วนี่เราละความโง่ได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าจิตมันถึงปัญญาแล้วนี่มันไม่โง่ให้ทำโดยให้ตัวเองทุกข์หรอกนะตอนนี้เราไม่มีปัญญาเรามีแค่ความรู้นะสองวันนี้พ่อภูมก็พูดบ่อย พระครูห้าปีไปบรรยายข้างนอกนะเรามีครั้งหนึ่งไปบรรยายที่ตึกอื้อจือเหลียงอยู่สวนหลุมเช้าๆก็พาพระครูเดินข้ามถนนไปที่สวนหลุมไปกินข้าวต้มวันนั้นบันทิตย์พอดีเจอพระคุนเจ้าเนี่ยกาลังมีธรรมะกลางสวนพรอครูก็ไปนั่งแจมกับเขาด้วยมองไปมองมาก็ผมข า, ขาวๆกันหมดแล้วท่านสอนให้เราถือศีลห้าพรอครูก็มองไป มีอายุเจ็ดแปดสิบมันจะทันหรือเปล่านี่มันจะถือทันไหมมันก็เกิดความสลดใจทำไมมนุษย์เราตอนนี้เนี่ยมันถอยหลังขนาดนี้สินห้าเนี่ยทาสานมันก็มีอยู่แล้วเราเรียนไปเรียนมาเนี่ยมันหายไปไหนต้องมาถือสินห้ากลายเป็นบางทีมือถือสากปากถือสินถือถือหลุดหลุดสินคือความปกติของจิต แต่สินห้าสินแปดสิน 10, สิบสิปฏิโมกเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลังเป็นอุบายวิธีในการอยู่ร่วมมันไม่ใช่ผิดคนที่ยังเข้าไปสู่สภาวะเดิมเราไปสู่สินเดิมเราไม่ได้สินปกติเนี่ยเราต้องอาศัยสินเหล่านี้เป็นข้อกํากับเหมือนกฎหมายนั่นแหละอย่าทําผิดกฎหมายนะจะถูกลงโทษอย่าทําผิดสินนะจะจะถูกลงโทษจะตกนรกอะไรพวกเนี้มันเป็นการเตือนสติ แต่ศีลจริงๆแล้วมันไม่มีตัวหนังสือศีลคือความปกติของจิตถ้าซารมีอยู่แล้วเราเอาเหล้าแพงที่สุดในโลกให้มันกินเอาไหมมันไม่กินหรอกมันไม่โง่เอาบุหรี่ยี่ห้อแพงที่สุดให้สูบมันมันไม่สูบหรอกมันบอกไม่รู้อะไรถามว่ามันต้องโกหกไหมมันพูดภาษาก็ไม่เป็นด้วยมันไปโกหกทําไมเพราะมันไม่มีความอยากเพราะมันไม่มีความรู้ผิดมันไม่มีอวิชชา หลายท่านไปแปลว่าอาวิชชาคือความไม่รู้คือความโง่โอ้ยกลัวใหญ่เลยกลัวโง่ก็เลยแข่งกันเรียนใหญ่เลยเรียนจนจบด็อกเตอร์แล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องก็รู้แล้วไงรู้แล้วว่าอริยสัตตีเป็นคืออะไรปฏิสบุตรบาทคืออะไรกฎแห่งกรรมคืออะไรแล้วทําไมไม่พ้นทุกข์ล่ะไม่ใช่ไปรู้แบบนั้นอวิชชาจริงไม่ได้แปลว่าความไม่รู้ จริงๆแล้วอย่าไปแปลมันดีกว่าแปลแล้วมันหยาเป็นไหมแต่ถ้าพูดให้มันใกล้ๆเคียงหน่อยหนึ่งนะสําหรับความรู้สึกพระครูนะอวิชชาคือความรู้ผิดไม่ใช่มันไม่รู้สิ่งที่เราเรารู้และความรู้ใดเนี่ยที่มันแฝงด้วยโลภโกรธหลงเนี่ยทาให้เราทุกข์นั่นคืออวิชชาทั้งสิ้นพระครูเคยถามครูบาอาจารย์ว่าอาวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรท่านก็บอกว่าไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิสูบาท ไม่รู้กฎแห่งกรรมท่านเรียนจบด็อกเตอร์จบป ร, ริญญาเก้าแล้วท่านรู้หรือยังท่านบอกรู้หมดแล้วถึงสอบได้ไงแล้วทําไมท่านไม่พ้นทุกข์ยังทะเลาะ ก, กันอยู่นิกายชันดีกว่านิกายเธอใช่เหรออวิชชาเนี่ยแปลว่าไม่รู้สิ่งนี้เราจริงๆเหรอสําหรับพวกครูแล้วไม่ใช่ถ้าไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้ปฏิสุบตบาทไม่รู้กฎแห่งกรรมน่าจะพูดว่าเธอไม่รู้วิชามากกว่า เธอไม่รู้วิชาชอช้างสองตัวไม่ใช่ว่าเธอมีอวิชชาอาวิชชาถ้าแปลว่ามีความไม่รู้มันมันขัดไวยากรณ์ น, นะเธอมีอวิชชาเธอเธอมีความไม่มีไม่มีความรู้น่ะนะมันขัดแยง้งถ้าบอกว่าเธอไม่รู้วิชามันค่อยเข้าท่ากว่าภาซานไม่มีอวิชชา มันจึงไม่หาเรื่องทุกข์มันหิวก็กินง่วงก็นอนแต่มันก็ไม่รู้วิชาด้วยมันไม่รู้วิชาพ้นทุกข์มันก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานทั่วไปเกิดมาใช้นี่กรรมแต่มันยังดีกว่าคนหลายหลายคนทาสานก็คนนะอย่าไปแยกว่าเขาไม่ใช่คนนะนะแต่คนทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราไปเรียนรู้วิชาทางโลกมันไม่ได้ผิดนะ อมวิชาเป็นกลางๆแต่ถ้าเราไปหลงมันเมื่ อ, อไหร่เนี่ยมันกลายเป็นอวิชาทั้งนั้นโลภโกรธหลงติดอะไรหลงอะไรก็คือแกทำให้เราทุกข์มันพิสูจน์แล้วไงวิชาเรียนสูงสุดแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วสูงสุดแล้วปริญญาเอกแล้วทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องก็รู้แล้วไงเธออะไรท้พูดต้องมีเหตุผลนะมีเหตุผลไปเรียนวิชาเหตุผลจบสูงสุดเลยทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องเหตุผล ทำไมไม่รู้ภาษาถ้าเราแปลภาษาผิดเนี่ยคาเดียวเนี่ยนะมันผิดหมดเลยทุกวันนี้ปฏิส ม, มุตรบาทเขาพยายามโยงสิบสองขั้นตอนเนี่ยนะให้มันเชื่อมโยงกันเพื่อให้แยกไม่ให้แยกส่วนและเอาวิชาไว้ข้างบนเลยส่วนมากเราก็ไปเริ่มต้นวิชาการเอาวิชาทําให้เกิดสังขารถ้าสังขารไม่เกิดวิญญาณไม่เกิดบอกจิตวิญญาณไม่มีถ้าสังขารไม่เกิด กะครูก็เคยไปถามว่าถ้าจิตไม่มีใครเป็นคนสังใครเป็นคนคิดปรุงแต่งใครเป็นคนมีาวิชาอย่าสีสัวแปลนะมันจะเละเลือนเขาอุตส่าห์โยงเนี่ยผู้เจ้าแสดงปฏิสบุตรบาลเนี่ยนัยยะคืออะไรทำให้เรารู้ว่าไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องปลายสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเหตุเกิดผลจึงเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอย แล้วพยายามโยงให้เป็นกลมๆเลยทีนี้ภาษาพูดมันมีเบื้องต้นมันมีเบื้องปลายพูดปุ๊บมันก็ผิดแล้วถ้าจิตถ้าสังขารไม่เกิดจิตวิญญาณไม่มีใครเป็นคนคิดปรุงแต่งใครเป็นคนเมียวิชาล่ะเห็นไหมนี่คือวิชาการมันอยากเกินไปที่พูดปุ๊บเราจะเข้าใจเหมือนกันนะต้องระวังผู้เจ้าถึงเตือนเราว่าอย่าพึ่งเชื่อตำราอย่าพึ่งเชื่อคาเล่าขาน อย่าเพิ่งเชื่อที่ทำตามตามกันมาวิธีนั้นวิธีนี้มันไม่ได้ผิดโดยเฉพาะสูตรวัดป่าไม่ได้ผิดสูตรมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้ทะเลาะ ก, กับใครแต่คนที่ไปใช้นั่นใช้ไม่เป็นไม่รู้กาลเทศะว่าควรจะใช้ตรงไหนโอกาสใดตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเราบอกแล้วไม่มีป่าอยู่แล้ว คลื่นมันไปกระทบหมดแล้วถ้าหมัวต้มต้มเตียมเตียมอยู่นี่ยกาลังของจิตเรามันไม่พออย่างสมมติว่าเราไปเข้าค่ายเขาจับเราฝึกไปวิ่งมาลารอนมาลารอนมันสิบกิโลเมตรร้อยี่สบกิโลเมตรวิ่งเร็วไม่ได้นะต้องวิ่งช้าๆเห็นไหมเราฝึกสติช้าๆสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาฝึกมันก็คุมได้สิมันก็สงบสิแต่เราออกมาแล้วนี่รูปนามเกิดดับมันเร็วมากมันเป็นร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ไปฝึกวิ่งมาราธอนเวลาแข่งมันจะไปเราไปแข่งวิ่งร้อยเมตรแล้วมันจะทันหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่วิชานะมันผิดพระเจ้าจะบอกอย่าพึ่งเชื่อที่ทํำตามตามกันมาแต่ตอนนี้เป็นยังไงรู้ไหมบ้านเมืองเรายึดมั่นถือมั่นยึดมั่นถือมั่นจะรักษามันไว้คุณรักษาไม่อยู่หรอกเมื่อคนรุ่นหลังมันไม่เอาเราตายแล้วมันก็สูญพันธ์ไงพระผู้เจ้าถึงเตือนเราบอกว่า เป็นไปตามเหตุและปัจจัยอย่าปฏิบัติธรรมอย่านับถือศาสนาพุทธแบบซื่อบื้อตายตัวจิตมีปัญญาเขาไม่ทำอย่างนั้นบางคนมาเห็นเวอร์ชั่นเราทำเช้าสายบ่ายเย็นมันแรงอย่างนี้เหรอมันเร็วอย่างนี้เหรอบอกพ่อคูยังไม่พอใจเลย เพราะโลกมันเร็วมันแรงกระแสกรรมมันแรงมากมันขี่จรวดกี่เลศมันขี่จรวดแล้วมัวจะไปขี่คอช้างถือเงี้ยวถือละง้าฟันดาบมันจะทันมันหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นถือมันอนุรักษณ์ตรงนั้นนะเราเองก็ไม่พ้นทุกข์และเราเองไม่ได้ช่วยเหลือสังคมเลยลูกหลานเราเป็นเหยื่อหมดมัวแต่อนุรักษณ์อยู่ตรงนั้นแหละแล้วถ้าใครไม่ทําตามชันนี่ยกล่าวโทษเ้าหมดทําตัวเป็นผู้รู้คนเดียวยกตนข่มท่าน หลายปีพ่อครูเจอมาหมดแล้วนะแต่พ่อครูไม่โกรธไม่ต้องให้อภัยด้วยกรรมใครกรรมมันบุญใครคุณมาแต่ถ้ามีโอกาสพูดพูดเพราะเมตตาบางอย่างขี้เกียจพูดต้องขยันพูดต้องฝืนพูดพูดแล้วมีประโยชน์แต่บางอย่างมันอยากพูดพูดแล้วมีเรื่องต้องไม่พูดน่ต้องอย่าขยัน พูดความจริงทุกอย่างทุกเรื่องไปแล้วให้มันมีเรื่องอย่างนั้นพูดน้อยดีกว่าถ้าอย่างนั้นน่ยยังโกหกดีกว่าด้วยนะถ้าโกหกเพื่อให้เขาไม่ให้ทะเลาะ ก, กันเน่โกหกได้กุศลเพราะเจตนาเราไม่ต้องการหลอกลวงเขานะแล้วพระครูก็ยืนยันนะยี่สิบห้าปีอยู่ที่นี่เนี่ยถามว่าตอนนี้พ่อครูถือศีลเท่าไหร่บอกเวียงทิ้งหมดแล้วมันหนัก บางคนตกใจคนไม่มีศีลมาแสดงธรรมแต่ยี่ห้าปีมันแน่ใจเหลือเกินมันไม่ทำชั่วแน่นอนคิดมันก็จะเป็นคิดเลยแม้แต่ครั้งหนึ่งมันไม่มีเหตุต้องคิดมันไม่มีอนาคตและไม่มีความอยากมันคิดทำไมที่เราคิดเนี่ยเพราะเรามีอนาคตเราคิดวางแผนแม้กระทั่งจะไปนิพพานนะปฏิบัติด้วยคิดไปด้วยวิเคราะห์ไปด้วยนะ่ะมันไม่ไปไหนหรอกมันเล่นชักเขย่าจะไปนิพพานด้วยความอยากมันไม่ไปไหน เมื่อเราไม่มีอนาคตไม่มีความอยากแล้วเรามีเหตุทําไมต้องคิดละ่ะเมื่อไม่สร้างมโนกรรมไม่คิดมันก็ต้องไม่ปวดหัวไงยี่บห้าปีเลยไม่ต้องกินยาพาราแม้แต่เม็ดหนึ่งแต่ก่อนหน้านี้สี่สิบปีวิ่งไปตามโลกเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เป็นไมเกรนความเครียดลงกระเพาะพวกครูเห็นจากตัวพวกครูเองจะไปบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันหยาบเกินไป หลายปีมาพวกคูโดนทดสอบแล้วสอบมาทั้งทุกวิชาการอะไรเข้ามาหมดเรามาแลกเปลี่ยนบางครั้งก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยบางทีมาแบบแบกมาเลยล่ะจะเอาปืนใหญ่มายิงกันเลยอ่ะนะพวกคูรับได้หมดนะไม่เป็นไรนะแต่ถ้าแรงมานะไม่ใช่แรงกลับนะนะแต่ถ้าถามอะไรตอบให้มันได้นะ บางทีพูดแรงมากว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยชอบคำสอนพระเจ้าเท่าไหร่ถามว่าทำไมบางทีถามอะไรตอบไม่ได้ก็บอกเช่นนั้นเองนักวิทยาศาสตร์เกลียดชังคำนี้มากมันํำปั้นทุกดินเนี่ยพ่อครูก็เคยถามนักวิทยาศาสตร์ว่าบอกพ่อครูหน่อยทำไมคนมันต้องมีสองขาทำไมงูมันไม่มีขาทำไมกัวมันต้องมีสี่ขา พระอาทิตย์มันมาจากไหนวิทยาศาสตร์ตอบหน่อยมันก็ตอบไม่ได้บางคนบอกว่างูไม่มีขาเพราะมันเป็นสัตว์เลื้อยคานทำไมไอ้กิ้งกือมันมีหลายขามันก็ตอบไม่ได้ไงถ้าไม่ตอบว่าเช่นนั้นเองตอบว่ายังไงทำไมทําดีดีทำไมทําชั่วชั่วถ้าไม่ตอบว่าเช่นนั้นเองอว่ายังไงไมนนันเป็นไปตามกบแห่งกรรมไงถามว่าคุณยกมันหนักใช่ไหม คุณวางมันก็เบาไงนี่คือกรรมไงเขาไม่เชื่อกฎแห่งกรรมเขาไม่เชื่อกรร ม, ม, รรมคุณระบายสีขาวถามว่ามันแห้งนั้นเป็นสีแดงได้ไหมมันไม่ได้ไงคุณทําอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือกฎแห่งกรรม ไ, ไม่ใช่เรื่องไสยศาส ต, ร, ร, ตาร์ไม่ใช่เรื่องอิทธิริศปฏิหารไม่ใช่เรื่องเต่าล้านปีมันคือความจริงแต่ตอนนี้เราไปเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยหุยทําตัวเป็นนักวิทยาศาสตร์ ยุคนี้พ่อครูมองหานักวิทยาศาสตร์จริงๆไม่ค่อยมีเลยนะมีแต่นักเรียนแบบนั ก, นกเรียนแบบวิทยาศาสตร์วันดีคืนดีถ้าในทางธรรมะในทางศาสนาเขาเรียกว่าอวดอุตริมนุษยธรรมในทางโลกเขาเรียกว่าอวดเก่งอวดเก่งยังไงไมายกตัวอย่างนะหลายปีมาพ่อครูก็เงียบหูฟัง พอจะเข้าถึงฤดูออกพรรษาทางหนองคายทางอะไรเขามีบุญเราจัดงานใหญ่มากบั้งไฟพญานาคแล้วทุกปีจนถึงตอนนั้น่ะออกข่าวมาแล้วนักวิชาการเดี๋ยวก็คาดคะเนว่าเป็นเพราะอย่างนั้นเป็นเพราะอย่างนี้แล้วก็สรุปว่าเป็นเพราะปฏิกิยาทางเคมีในใต้แม่น้ํโขงพวกครูเคยถามว่า ไอ้ปฏิกิยาเคมีเนี่ยมันเก่งนะมันมีนานาฬิกาปลุกด้วยมันเลือกขึ้นเฉพาะวันออกพรรษาถ้านักวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยเขาไม่กระทำอย่างนั้นถ้าคุณไม่เชื่ออะไรคุณมีหน้าที่ต้องพิสูจน์คุณต้องทำให้เขาเห็นว่าคุณก็ทำได้ไฟอะไรที่มันถูกนะ้ามันก็ต้องดับหมดล่ะนะ คุณจะสร้างพลังงานชุมว่าเราเรายิงบั้งไฟเห็นไม้มที่เขายิงบัางไฟมันก็ต้องมีกลิ่นมีเสียงอันนี้กลิ่นก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีคุณต้องพิสูจน์ให้เขาดูว่าคุณทำได้นั่นแหละเป็นนักวิชาที่แท้จริงอันนี้มีแต่คาดคะเนทีนี้เอาความคิดแบบนี้มาสอนจิตด้วยมีแต่คาดเดาคาดคะเนา ท่านที่วันตัวเองไม่เคยเข้าไปสัมผัสสภาวะ น, นั้นเลยอ่านหนังสือเขาบอกเราม้าว่านะเคยมีครูบาอาจารย์มาที่นี่ท่านก็ถามพรอครูว่าสมัยพุทธการปฏิบัติอย่างนี้เหรอพระพุทธเจ้ามาเต้นแล้งเต้นกายอย่างนี้เหรอพระไตรปิฎกมีไหมอูถามมาฉอดใหญ่เลยพรอครูยังไม่ตอบสักคำหนึ่งพ่ะครูก็ถามว่าที่พระอาจารย์พูดออกมาเนี่ความรู้ที่พูดออกมาหมดเนี่ย เอามาจากไหนเอามาจากเขาบอกเอามาจากอ่านหนังสือท่านไปพุทธการมาหรื อ, อยังท่านไปเห็นมาหรื อ, อยังเห็นไหมถ้าท่านอ่านพระใจรปโยกก็อ่านให้มันรอบด้านให้มันจบหน่อยได้ไหมเห็นไหมเมืองไทยเรามีกี่อย่างเอานับเลยมีพุทธโธยุบหนอพองหนอ ธ ร, รมกายหรืออาณาประจติอะไรเนี่ยที่เราสัมผัสได้เนี่ยเอาละคงไม่เกินห้าอย่างเจ็ดอย่างและสี่สิบองธรรมฐานที่ผู้เจ้ายกตัวอย่างน่ยอันนั้นเป็นแค่ตัวอย่างนะใบไม้กำมือเดียวเป็นตัวอย่างใบไม้ทั้งป่ามันเท่าไหร่ออกไปดูโลกภายนอกบ้างไปดูอินเดียบ้างไปดูทิเบตบ้างไปดูจีนบ้างไปอยู่ญี่ปุ่นบ้างเมืองที่เขาเป็นพุทธอะ่ะ เป็นกบในกะลาอยู่อย่างนี้แหละไอ้ที่ทําอยู่ไม่ใช่ผิดแต่ถ้าไปหลงว่าพุทธต้องเป็นแบบนี้เป็นแบบอื่นไม่ใช่นั่นอันนั้นต้องคุยกันใหม่ถ้าเราไปดูฝ่ายมหายานเขาเนี่ยอย่างตอนนี้เราไหว้ใครรู้ไหมคนจีนเขาไหว้มหายานะตรงกลางแน่นอนเขาไหว้พระพุทธเจ้าซ้ายมือเขาไหว้เจ้าพระโพธิสัตว์กวนอิมถือศีลกินเจ กินมังสวิรัติขวามือเขาไหว้พระอรหันต์จี้กงกินเนื้อสัตว์กินเหล้าผิดศีลเขาไหว้คนผิดศีลไงผิดศีลปุ๊บก็ไม่ใช่เลยเพ่อครูเลยเคยถามว่าอาจารย์เคยรู้จากองค์คุริมานไหมท่านบอกรู้สิองค์คุริมานผิดศีลไหม ฆ่าสัตว์ไหมไม่ฆ่าคนเก้าร้อยเ้าสาทำไมท่านบนรรลุธรรมได้แต่ไม่ได้หมายบอกว่าเราต้องฆ่าคนนะั้นถึงจะบรรลุธรรมได้มันไม่เหมือนกันอย่าเรียนแบบกรรมชี้เจตนาองค์ุริมานที่ไปฆ่าเขาไม่มีเจตนาเกียรชังเขาเลยแต่องค์ุริมานเป็นคนซื่อสัตย์ศรัทธาครูบาอาจารย์มาก เนื่องจากครูบาอาจารย์เนี่ยถูกลูกศิษย์คนอื่นไปใส่ร้ายป้ายสีนะหาเรื่ององค์คุริมาองคุริครูบาอาจารย์เขาพยายามใช้อุบายขับออกจากสํานักก็เลยบอกว่าให้ไปฆ่าคนมาครบหนึ่งพันคนจะสอนวิชาพิเศษองค์คุริมาเนี่ยไม่ลังเลเลยเพราะศรัทธาครูบาอาจารย์ก็ออกไปทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์แล้วก็ทําแล้วก็ไม่ได้จําเห็นไหมเพราะไม่มีเจตนา แต่กลัวลืมว่าเมื่ อ, อไรก็ตัดนิ้วมาแขวนไว้ไม่ได้บันทึกสัญญาเลยฆ่าพราะ้่าไม่มีเจตนาพอฆ่าไปเก้าร้อยเก้าสิบเก้าฆ่าไปข้ามาไปเข้าใจผิดว่าการฆ่าเขาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนนี่ต้องมีไตยยแน่ๆเออคล้ายๆว่าเราทำให้เขาหมดเวรหมดกรรมเร็วๆ จะไปปวดแม่ตัวเองคนที่พันเดินทางไปหาแม่ทางฝ่ายแม่เองก็ได้ยินทางการเขาออกหมายจับโจรองคุลิมานจับตายแม่ก็เดินมาองคุลิมานก็เดินไปถ้าฆ่าแม่นี่ถึงจะเจตนาไม่เจตนาก็ช่างเสร็จเสร็จเลยผู้เจ้าก็เห็น เห็นวาลาจิตองค์คุริมานเนี่ยสร้างบา ร, รมีมาเยอะมากแต่ที่ค่าค่านั้นก็เป็นวิบากกรรมร่วมในอดีตเก้าร้อยเก้าสิคนนั้นน่ะเคยกินเนื้อองค์คุริมานสมัยที่องค์คุริมานกลายเป็นกัวตายายคู่หนึ่งเนี่ยเลี้ยงองค์เลี้ยงกัวไว้วันดีคืนดีคุณตาล้มกัวเรียกคนทั้งหมู่บ้านมากินเนื้อกัวรวมทั้งคุณตาด้วยมีคุณยายไม่กินคนเดียว คุณยาได้เกิดมาเป็นแม่องคุริมานมันมีเหตุของมันอยู่แต่ไม่ใช่ทุกคนต้องไปเรียนแบบผู้เจ้าบอกละเว้นให้การฆ่าสัตว์เพราะฆ่าไปฆ่ามาแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจผิดมันจะเกิดจิตใจโหดร้ายไม่มีเมตตาแต่ไม่ใช่ว่าห้ามนะละเว้นการดื่มเครื่องดองของเมาการฆ่าสัตว์ให้ละเว้นแต่ท่านไม่ได้บอกว่าถ้าฆ่าปึ๊บบรรลุธรรมไม่ได้ แต่มันเป็นกรรมนะบี้หมัดหมาปวดหัวหักขาแย่เป็นอำมาภาตคนอื่นไม่รู้จิตบันทึกสัญญาแล้วหลายปีก่อนมีครูบาอาจารย์ท่านอาวุโสมากนะอายุเก้าสิบกว่านะ่บวชตั้งแต่เป็นเนนท่านจะเดินทุดงไปลาวท่านมาแวะพรอครูที่นี่มาค้างแหลมที่นี่คืนหนึ่งบังเอิญเจอคืนวันเสาร์พรอครูบรรยายเรื่องศีล โอท่านบอกว่าเกือบเสียชาติเกิดแล้วไปเข้าใจศีลผิดมาตั้งนานพอครูถามว่าหลวงตาเดินทางมายังไงท่านบอกนั่งรถมาลงปากทางใหญ่ท่านก็เดินเข้ามาบอกหลวงตาอย่าแกล้งลืมนะหลวงตาเหยียบมดตายตั้งตุหลายตัวแต่หลวงตาไม่ได้ทําอะไรเลยท่านไม่มีเจตนาเราเดินทางทุกวันนี้อย่าไปอย่าไปแกล้งไม่รู้ว่ารถเรามันเหยียบมดเหยีย สัตว์หลายตัวนะอย่างนั้นเราเดินทางไม่ได้นะเราไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ถ้าเราจับมดมาตัวหนึ่งออบันทึกสัญญาแล้วที่องคุลิมานฆ่าฆ่าฆ่าแล้วก็ตัดนิ้วมาแขวนไว้เพราะองคุลิมาไม่ได้บันทึกสัญญาไม่มีเจตนากรรมชี้เจตนาแต่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีมันเป็นกรรมเฉพาะหน้าเหมือนเราเดินไปเหยียบลังมด ถ้ามันกัดมันก็กัดเราเลยถ้ามันไม่กัดหมดกันแต่ถ้าเราบีบมดตายตัวหนึ่งอ๊ะเดี๋ยววันหลังไอ้สัญญาตัวนี้ในจิตเราเนี่ยมันจะส่งผลให้เราต้องรับกรรมตัวนั้นต้องมองเข้าไปในเจตนาอย่าไปมองภาพลักษณ์ภายนอกบางทีเห็นกิริยาเท่านั้นเองอย่างยังสมัยพุทธกาลนี่ยภาษารีบุตรเนี่ยถูกกล่าวโทษอยู่เรื่อยเป็นปัญญาเยอะมากนะแต่เหมือนลิง เจอต้นไม้ก็ขึ้นต้นไม้เจอน้ำก็โดดน้ำพระครูเป็นความลับไม่บอกใครนะสมัยพระอาจารย์ปารามีอยู่ที่นี่โดดน้ำเขื่อนบ่อยๆ อ, อย่าไปมองข้างนอกมองเข้าไปข้างในแต่ทีนี้ถ้าคนไม่มีปัญญามันก็ไม่เห็นไงก็ไปจับถูกจับผิดนะคนในศูนย์งี่ก็มีนะบางทีเห็นนะทาไมทาไมทาไงเพราะเราไปติดบ่วง พวกคุณยกถามว่าเอาล่ะถ้าย้อนหลังไปสา0พันปีทำไมต้องสามพันมันเลยสองพันหร้อปีก่อนที่เจ้าชายสิทธิษฐจะประสูตรก่อนที่ศาสนาจะมีในโลกนี้มีศีลวินัยไหมทำไมสามพันปีรู้ไหมภาพถ่ายอยู่ข้างหลังนะตอนช้าๆเดินไปดูนะเป็นภาพสะเก็ดหนึ่งอันนั้นวาดด้วยจิตนนเป็นจิตกรรมจริงๆ หลายปีก่อนเนี่ยเขาวาดรูปมนุษย์ต่างดาวเขาวาดรูปสองรูปนี้มาพอครูก็ใช้จิตไปสื่อกับขึ้นเขาคนหนึ่งน่ะเป็นมนุษย์สามพันปีชาติสุดท้ายเขาเนี่ยที่เขาตายเรานับเป็นสามพันปีอีกคนหนึ่งสี่พันปีสองคนนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งอยู่สกอตแลนด์อีกคนหนึ่งอยู่แถวนั้นล่ะเนเธอร์แลนด์หรือว่าอะไรนะ ตอนนั้นไม่มีาศาสนาศาสนาเพิ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้นี่ไม่ไม่กี่พันปีนี้เองเขาก่อนยุคที่มีาศาสนาเขามาบอกพ่อครูว่ายังไงทั้งสองดวงจิตนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ได้เกิดอีกแล้วนิพพานเป็นของสากลมันไม่เกี่ยวกับาศาสนาใดๆทั้งนั้นแต่เจ้าชายสิทธัตถะไปตัดสรู้มาไปเข้าถึงตรงนั้นพระ อ, องค์ก็ เอาตรงนั้นเป็นแก่นพุทธศาสนามาชี้ทางให้เราพ้นทุกเพียงแต่ว่าศาสนาอื่นเนเขาไม่ไปสนใจเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ของพุทธเราคิดตู่ว่าของพุทธเท่านั้นเท่านั้นเนี่ยแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเอาละ่ะคนนอกศาสนาอย่าไปพูดเขามายืนยันกับพ่อครูงไงนะก่อนที่ไม่มีศาสนาพูดเลยไม่มีพระสมองค์แรกตอนนี้มาพูดกันว่า ใครบรรลุอราหันต์แล้วถ้าไม่บวชปุ๊บตายภายในเจ็ดวันพระอราหันต์กลัวตายพระอราหันกลัวร้อนเหรอไม่มีสาระอย่าไปพูดให้มันขังนะคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาแล้วไอ้เรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้เอาในสายพุทธเราที่บันทึกมาพระพุทธเจ้าทั้งหลายก่อนหน้าเจ้าชายสิทธัตถ์เจ้าชายสิทธัตถ์เป็นองค์ที่ยี่สิบแปด เป็นองค์ที่ตั้งพุทธศาสนาขึ้นมาพระสมองค์แรกของโลกคือพระัญญากลทัญญะแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีพุทธศาสนาไม่มีพระสง์องค์แรกพระมหากัสปะพระทีปังกรบรรลุพระอหรหันต์ท่านบรรลุได้อย่างไรไม่มีพระใจไปดีอกอา่านไม่มีพระสง์องค์แรกท่านก็ตายหมดสิอย่าไปพูดอะไรที่มันเกินจริงเพื่อสร้างความขัง คนรุ่นใหม่เขาจะไม่เอาเราจะอนุรักษ์ไว้ไม่ได้เมื่อเราตายแล้วเนี่ยมันจะสูญพันธหมดเวลาแล้วที่จะพูดอะไรที่ไร้สาระอะไรไม่เชื่อก็บอกสะกดจิตอะไรไม่เชื่อก็บอกเข้าทรงอะไรสมุนตาสะกดจิตตอนนี้ทาไมขอดึงหลายหมืน่นทาไมไปให้เขาสะกดเขาเข้าทรงทาไมบินไปไปไหว้ทรงทาไม มันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายไปแต่ว่ามันไม่ใช่ทางผลทุกสำหรับพ่อครูแล้วยี่สิบห้าปีเนี่ยคำว่าสำรวมระวังไม่ต้องสำรวมด้วยพ่อครูไม่ต้องระวังมันไม่มีความอยากแล้วมันระวังอะไรบางคนก็เตือนพ่อครูนะเป็นห่วงพ่อครูเอออนุโมทนาสาธุเป็นห่วงพ่อครูมีอะไรน่าเป็นห่วงพ่อครูไม่มีมีห่วงอะไรเหรอ ทำไมพ่อครูผมยาวแล้วตอนนี้ยี่ห้าปีไม่เคยเห็นตัวเองผมยาวเห็นไหมล่ะทำไมเรามีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะก็ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างแตมันแสดงธรรมไงทำไมทำไมทำไมเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราคุ้นเคยอย่างนี้ต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบอื่นเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเราเห็นแล้วนะไอ้คำว่าทำไมเกิดขึ้นที่ไหน ก็แก้ที่นั่นใช่ไหมมันอยู่ในใจเราใช่ไหมแล้วก็เหวี่ยงมันทิ้งนะมันไม่เกี่ยวกับหัวพ่อครูมันแสดงธรรมมีช่วงหนึ่งอยู่ๆมันก็ไม่โกนเขาเพา่อครูทำไมไว้เขาเพา่อครูไม่ได้ไว้เลยแต่ยังไม่ไดเดาออกเท่านั้นเองตอนนี้เหมือนกันมันไม่เอาออกเฉยๆนี่แหละ เออก็ดูหน่อยนึงมันเป็นยังไงนะแต่ทีนี้ไอคนที่เขาคุ้นเคยแบบนี้เขาจะรักษาภาพลักษณ์อย่างนี้พอมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บเอเอเอก็ชักขย่ยไงถ้าเราไม่มีศรัทธาเป็มเปลี่ยมแล้วเนี่ยเราจะถูกมาในใจเรามันหลอกสั้นก็เช่นนั้นเอง ยาวก็เช่นนั้นเองของดีมันอยู่ข้างในนะมันไม่เกี่ยวกับข้างนอกบางคนต้องสั้นเพราะเราไปติดยาวบางคนต้องยาวเพราะไปติดสั้นมันเป็นของคู่ติดอะไรก็คือติดก็คือหลงมันพ้นทุกข์ไม่ได้อย่าไปว่าสั้นดียาวดีนะ ในดีนั่นมีชั่วในชั่วนั้นมีดีแต่ตอนนี้เราไปยึดมั่นถือมั่นเรียนรู้มาหน่อยหนึ่งญาติธรรมเราก็เป็นนะพวกเราพวกเรากระยาดมิดก็มีนะเราปฏิบัติระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็คุ้นเคยว่าต้องทําแบบนี้แบบนี้พ่อครูเมื่อ25ปีมาที่อเมริกาพราอครูไปเผยแพร่เยอะเลยไปเผยแพร่ที่พุบูล์รั้งหนึ่งโรงเรียนมัธยมนะมีแม่ค้าคนหนึ่งยายคนหนึ่งแกก็มานั่งกับพวอครู พอแกนั่นแกเวียงนะแกก็เวียงแลก็ทํามือแบบนี้แกเวียงแกเวียงแกเวียงแกเวียงแกเห็นว่าเหมือนแกกําลังฝัดข้าวอยู่นะทีนี้คนอื่นมาแกก็สอนให้เขาฝัดข้าวแกบอกทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ไอ้คนนี้ฝัดสามชั่วโมงก็ไม่ไปไหนไงมันไม่เหมือนกันตอนนี้เราฝึกมาอย่างนี้เราเจอใครมาเราก็จับเขาไปอย่างนี้ระวังนะบางคนเราไปจับตัวเขา เขาถูกฉลองเขาก็ทำตามเราแล้วก็ทำได้บางคนเขาต้านเลยเพราะเราไม่เห็นจิตเขาตอนนี้ครูบาอาจารย์หลายที่เหมือนกันฉันฝึกวิชานี้เธอมาฉันก็ยัดเยียดวิชานี้เธอต้องทาตามฉันทุกคนน่ะเป็นหุ่นยนต์เราไปขัดแย้งกับคำว่านานาจิตตังเราไปกั้นบางศักยภาพของจิตอันตรายมากถ้าจะอ่านพระไตรปิฎกอ่านให้มันจบ รอบด้านไม่ใช่ไปเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วไปยึดมั่นถือมั่นสมัยพุทธกาลถ้าทุกคนพวกครูไม่เคยอ่านนะตอนเกือบยี่สิปีก่อนพระ อ, อาจารย์ปรมีมาจําวัดอยู่ที่นี่อาจารย์มหาสีภัยก็มาที่นี่ท่านเป็นคงแก่เรียนท่านชอบเรียนจนเป็นมาหาไงตอนนั้นก็พก่อครูขอร้องพ่อครูอ่านพระไตรปิฎกหน่อยพ่กครูอาจารย์มาหาอ่านอ่านอ่านพ่อพครูหาไม่อ่านนะแต่พ่อครูไม่ต้องอ่านเดี๋ยวมันจะกลายเป็นขยะ บางทีเราเปล่งออกมาไม่ใช่ไม่รู้จะเอาความจำมาพูดเรื่เอาความจริงมาพูดมันจะสับสนให้มันออกมาเพียวๆแบบนี้แหละตอนนี้เราไปติดไงเราไปจำมาพูดนะจำถูกบ้างผิดบ้างเข้าใจถูกบ้างผิดบ้างมันก็เลยเลอะเลือนไงพอเราไปฝึกจิตระดับหนึ่งเราก็ได้ก้าวระดับหนึ่งเราก็หวังดีเราก็ยัดเยียดให้คนนี้เราไม่เข้าใจคำว่านานาจิตตังถ้าความคิดแบบนี้ถูกต้องนะ นางวิสาขาบรรลุโสดาบันเจดขวบไม่ได้เนน บ, บบนบัณฑิตเจ็ดขวบบวชแค่แปดวันบรรลุอรหันต์ไม่ได้พระหิยะไม่รู้เรื่องาศาสนาเลยฟังธรรมพระเจ้าแค่ครั้งเดียวบรรลุอรหันต์ไม่ได้ทำไมไม่มาเรียนทีละขั้นทีละขั้นตอนนี้สังคมไทยเราเป็นแบบนั้นหมดพอพูดความจริงแล้วก็ต้าน เพาะไปหลงยึดมั่นถือมั่นไปหลงในความรู้ตัวเองนี่แหละมันไม่ต่างอะไรที่ด็อกเตอร์คุยกันไม่รู้เรื่องมันเป็นแค่องค์วิชาถ้าเราเข้าถึงปัญญาเราแตกฉานเราทะลุป้องเราไม่ติดบ่วงเลยคําว่าจริตนะต้องระวังนะโอยจริตฉันเป็นอย่างนี้จริตก็เธอถึงทุกข์ไงเขาแยกเป็นจริตหกนะเข้าๆโลภะจริตโทสะจริตใช่ไหมโมหะจริตวิตกจริต ใช่ไหมพุท ธ, ธจริดนะศัทธาจริดก็ทําตามจริดตัวเองมันไม่ได้ผิดแต่ถ้าไปหลงจริดตัวเองมันก็ติดจริดตัวเองเราต้องข้ามพ้นจริตเหล่านี้เราถึงรับได้ทุกๆจริดที่ศูนย์นี่จริตไหนมาก็ได้เพราะครูไม่ได้รังเกียจแต่อย่าไปรบกวนคนอื่นเห่นไหมพอเราเข้าไปในจิตจังหวะเดียวกันเพลงเดียวกันทําไมเต้นไม่เหมือนกัน เราต้องข้ามพ้นจริตให้ได้ถึงจะเป็นครูบาอาจารย์ได้สมัยพุทธกาลต้องฟังธรรมบรรลุธรรมจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นต่ำขั้นต่ำสุดคือโสดาปติมัคผู้เจ้าถึงบวชให้แล้วบวชแล้วยังไม่ให้ไปไหนให้ศึกษาธรรมจนแตกฉานแล้วค่อยดำริให้สาวกจาริกออกไปประกาศพมรมจันทร์ ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกไม่เคยดําดิให้สาวกจาริกออกไปประกาศศาสนาไม่แต่หนึ่งครั้งตอนนี้มาประกาศศาสนาทะเลาะกันทั้งโลกประกาศพรมจันทร์ชี้ทางพ้นทุกข์ให้สัตว์โลกทั้งหมดไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ต้องทะเลาะ ก, กับใครเขาจะนับถือศาสนาไหนก็เรื่องของเขาแล้วจะไปเปลีป่ยนชีวิตเขาทําไมมันเป็นวัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนกัน เรามีหน้าที่ชี้ทางพ้นทุกข์ให้เขาไม่ใช่จับเขามาเป็นศาสนาแบบเราเอาแค่พูดเองก็ทะเลาะ ก, กันตายแล้วมีหลายทันทีนี้กายเธอทําไมใส่กันเกง่งเธอทําไมใส่จีวรเธอทําไมใส่สีนั้นสีนี้ในบ้านเมืองเราก็มานั่งคุยกันว่าพระพิสุสงฆ์ก็มีหลายสีมันไม่ใช่สาระอะไรมันเป็นแค่อุบายวิธีที่ต่างกันเฉยๆถ้าเราเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าและเจตนาที่ศาสนาเกิดขึ้นนั่นเราไม่ต้องทะเลาะ ก, กับใคร เขาจะนับถือศาสนาในรัฐที่ไหนก็เป็นเรื่องของเขามันเป็นวิวบายวิธีในการอยู่ร่วมของคนกลุ่มนี้กลุ่มนี้เรามีที่หน้าที่ชี้ทางพ้นทุกข์ให้เขาทางพ้นทุกข์คืออะไรมรรคผลนิพพานแค่ชี้ทางให้เขาเข้าไปในจิตจิตเห็นจิตคือมรรคผลของจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธนั่นคือหน้าที่เราแค่นั้นพอไม่ใช่ไปเผยแพร่ดึงให้เขามาเป็นศาสนาเรา มันก็ถัดแย้งกันทั่วโลกผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราขัดแย้งกับใครตอนนี้พูดเองก็ขัดแย้งกันเองของฉันดีของเธอไม่ดีพาอครูคนหนึ่งแหละไม่เชื่อว่าผู้เจ้าสอนอย่างนั้นแต่ไม่เคยไปว่าใครนะแต่ใครอย่าหลงเข้ามาที่นี่พ่อครูขออนุญาตพูดความจริงส่วนพูดแล้วจะเชื่อไม่เชื่อก็นาน า, นานจิตตังตัวใครตัวมันไม่ใช่พราคูปงนะนะ ประสบการณ์พ่อคูยี่ห้าปีก่อนมาทําไมเลือกบ้านเกิดเมืองนอนอยู่อเมริกามันทุกข์มากเหมือนเราอาศัยบ้านเขาอยู่พอระเบิดตุ้มเนีเรื่องอะไรกูจะโง่ต่อไปอย่างน้อยๆกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนเราหนึ่งเราได้สนองคุณแผ่นดินเกิดสองเราได้มีส่วนเกินระดับหนึ่งมาสนองคุณครูบาอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าทําให้เราพ้นทุกข์พ่อครูก็เลือกจะมาช่วยประเทศไทย ไปอยู่กรุงเทพไปอยู่เชียงใหม่นะไปช่วยสอนที่ดอยเกืง้งแล้วก็ไปเจอพระอาจารย์ปรมีนั่นพระอาจารย์ปรมีก็มาเยี่ยมพ่อครูก็มาอยู่กับพ่อครูสามบรรดาพอไปอยู่กรุงเทพเฮ้ยเมืองไทยช่วยไม่ได้เหนือเสือป่าจลเข้ไปเชียงใหม่อากาศดีไปทําอยู่สักปีหนึ่งเฮ้ยไม่ได้มาช่วยจังหวัดอุบลเราเกิดที่นี่มาอุบลครั้งแรกเป็นยังไง ร, รู้ไหม บ้านหนึ่งเดือนหนึ่งหนึ่งครั้งจัดอบรมบางครั้งหกเจ็ด้อคนแจกชุดขาวฟรนะีอาหารมังสวรัติฟรีไปวัดไหนพ่อคูก็ทำบุญทำบุญเดือนละครั้งเดือนละครั้งปีนั้นเกือบเป็นหมื่นคนทำแล้วไอ้คู่แข่งทางการเมืองพวกวกว่อครูวกลัวมากว่าพวว่อครูจะกลับมาหาเสียงพอเราจัดที่วัดไหนนั่นรู้ไหม เดี๋ยวหนังกลางแปลงมาแล้วมันจะมาลบ ก, กวนเรามันรู้ว่ามันไม่รู้ว่าสิ่งนี้เสียงยิ่งดังก็ยิ่งดีทำไปทำมาคนไม่ดูหนังกลางแปลงมานั่งดูเราเวียงนี่คือคนเขากลัวมากว่าพ่อคูจะไปแข่งเขานะญาติธรรมคนหนึ่งที่เป็นโฆศกประจาตัวเขาบอกว่าใช่แล้วพาอครูมาหาเสียง มาหาเสียงให้พุทธศาสนาพุทธเจ้าทุกคนลืมพระองค์หมดแล้วพ่กครูทําอยู่ปีหนึ่งก็บอกว่าเฮ้ย mm. จังหวัดอุบลช่วยไม่ได้ตอนนั้นจังหวัดอําเภอศรินทรอยังไม่เกิดนะพ่อครูมาอยู่ที่นี่มาก่อนที่อําเภอศรีลินกรเกิดแล้วบางคนเข้ามาที่นี่บ่นใหญ่เลยพ่อครูทําไมมาลึกจังถนนยังกะไปต่างดาวเลยพรอขวกมันเจริญมากแล้วนเนี่ยสมัยพ่อครูมาไม่มีหนทางพ่ะครูนั่งเรือข้ามมา ทางที่เข้ามาเป็นทางเกวียนแล้วสะพานข้างตอนนี้ไม่มีรถเข้ามาไม่ได้นะแล้วเราจิตกันความเจริญมาหลายปีแต่ตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วนะนะเขาบุกลุกเข้ามาแล้วนะเพราะที่ไหนเจริญแล้วกิเลสก็เข้ามาด้วยนะพราครูมาอยู่ตั้งแต่ไม่มีไฟฟ้าสิบเอ็ดปีอยู่ที่นี่ไม่มีไฟฟ้าสงบเย็น แต่เนื่องจากชุมชนเริ่มล่มสลายหนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านเราบอกเราวางแล้วเราหยุดแล้วเราแก้งไม่เห็นเขาได้ไหม้าเราเดินไปสตรีคนหนึ่งตกน้ำเฮ้ยฉันจะไม่สํารวมฉันจะไม่ยุ่งไงเราเดินหนีเราฆ่าสัตว์แล้วเราบันทึกสัญญาแล้วว่าเราไม่ช่วยชีวิตมันทำไม่ได้บังเอิญพอถึงเวลาแล้วเนี่ยสูญนี้ก็เกิดขึ้นนะเราก็ทาหน้าที่ เมื่อเราทำหน้าที่โลกมันเปลี่ยนตั้งแต่ไม่มีไฟฟ้าเราจำเป็นต้องมีไฟฟ้าเพราะเราเปิดโรงเรียนเห็นหมและตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่ได้นะเพราะครูสิบกว่าปีนี่เพียวๆ เ, เ, เป่งเสียงออกมาเนี่ยตอนนี้คอรเริ่มมีปัญหาท้งกรรมดีก็ต้องรับตอนนี้ก็มีเครื่องทุนแรงช่วยหน่อยหนึ่งนะมันพัฒนา ม, มาเรื่อยๆเรยพราะครูไม่ได้เปลี่ยนนะใครก็เปลี่ยนเพราะครูไม่ได้ แต่สปปรรพสิ่งมันเปลี่ยนแต่สังขารพ่อคูมันก็เปลี่ยนนะก็ให้มันเปลี่ยนไปตามนั้นนะ่ะนะถ้าเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงเราไม่รู้เท่าทันโลกป่านนี้เนี่ยพวกคูอยู่คนเดียวศูนย์นี่มันศูนย์นี่แปลว่าว่างนะมันคือศนะูนยะ์น่ะนะเขาหนีหมดเยาวชนหนีหมดนะสมัยก่อนไม่มีหรอกโคกสไปไม่มีร้านค้าแบบนี้นะ ตอนนี้ทำไมยอมปล่อยให้เข้ามาทำไมให้มีไฟฟ้าเข้ามาทำให้ความวุ่นวายเข้ามาก็เพื่อให้ไงเราให้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่มันไม่จำเป็นถ้าเราถามว่าชอบไม่ชอบมันไม่ได้ชอบสิ่งเหล่านี้หรอกมันไม่เกี่ยวกับเรื่องชอบไม่ชอบมันเกี่ยวกับเรื่องทานเราต้องให้ได้แม้กระทั่งสิ่งที่เราชอบไม่ชอบนี่คือสุญญาตาทานนะ สุญยตาทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือไม่มีผู้รับไม่มีผู้ให้ไม่ใช่ให้ลูกหลานฉันดีใจให้คนอื่นฉันไม่ให้อันนั้นมันไม่ใช่ทานนะมันไม่ใช่บุญด้วยทําบุญทําทานบุญเกิดจากการให้ทานคือจาคะคือสลัดออกสลัดความโลภความตณีออกสลัดความหนักออกบุญคือเบาบาปคือหนักถ้าทําบุญแล้วหนักอกหนักใจนะะั่นล่ะ มันไม่ใช่บุญมันเป็นแค่กิริยาในการทำบุญเรียกว่าบุญกิริยาแต่ไม่เป็นกุศลเลยจิตไม่เป็นกุศลเลยเพราะจิตมันไม่เบาจิตทึ่เป็นกุศลคือสักแต่ว่าให้สักแต่ว่าจาคะเอาก้อนหินโยนออกจากอกมันก็เบาไม่ต้องรอชาติหนะ้าบุญคือเบาบาปคือหนักไม่ใช่มาทำบุญกับพุทธเจ้าสาธุทำบุญไปร้อยหนึ่งขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง ถ้าเลีกทายสามตัวยังค้ากำไรเกินควรแล้วเนาะจะเอารางวัลที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่บุญนะอันนี้คือค้ากำไรเกินควรมันมีอามิตร ท, ทาบุญไปแล้วเอ๊ะรอตั้งนานไม่ประกาศชื่อซันทักทีหนึ่งทำบุญตามบุญมันไม่ใช่บุญมันเป็นแค่กิริยาในการทำบุญแต่จิตไม่เป็นกุศลเลยอย่าหลอกตัวเองนะ ทำแล้วก็ให้มันเป็นบุญจริงๆไม่ใช่ไปสะสมบุญนะสะสมบุญนิกิเลสทำบุญเพื่อสร้างอนาคตทำบุญเพื่อจะไปสวรรค์มีอามิธทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ในัยยะของการทำทานในศาสนาพุทธทำบุญทำทานบุญเกิดจากการให้ทานวัตถุทานธรรมทานอภัยทานวัตถุ เราหาเงินมาเหนื่อยเนื่อยเราไม่ตนีเราก็แบ่งส่วนหนึ่งไปสร้างวัดไปเลี้ยงพระไปจันรลงพระศาสนาคือสลัดความโลภความตะนีเราออกเห็นไมอันนี้เราเราเร า, เราทำวัตถุทานมันก็เป็นการขัดเกลาจิตอย่างหนึ่งขัดเกลาความโลภความตะนีออกทีนี้ทำมาทานพวกครูกำลังให้รรมาทานเขาบอกการให้ทำเป็นทานยิ่งกว่าการให้ทั้งปวง เขาพูดทีเดียวนี่ได้ทั้งหากหลายคนถ้าออกยูทูบด้วยออกไปทั่วโลกได้ทั้งเยอะแยะเลยคืออา น, นิสงส์มันเกิดในวงกว้างแต่ผู้ให้เนี่ยได้อา น, นิสงส์เท่าไหร่ได้มากกว่าวัตถุทานสมมติว่าวัตถุทานเนี่ยได้เอาความหนักออกไปสิบกิโลรำมาทานปุ๊บได้เอาความหนักออกไปสาสิบกิโลได้มากกว่าไม่ต้องเสียสตัง แต่ต้องเสียเวลาเสียพลังการพูดนะแต่อานิสงส์มันเข้ามันออกสู่วงกว้างแต่ให้วัตถุทานร้อยครั้งพันครั้งให้ธรรมทานร้อยครั้งพันครั้งก็สู้การให้อภัยทานครั้งเดียวไม่ได้แล้ว่าต้องให้หลายคนนะให้คนเดียวที่เราเกลียดมันมากมเลย คือผู้ให้นี่ได้อา น, นิสงฆ์มากได้เท่าไหร่ได้หกสิบกิโลและคือเราเอาความพยาบาทเราโยนออกไปได้ยังไงมันผิดไงไม่มีคนผิดเราจะให้อาภัยใครอยู่ๆไปให้อาภัยคนที่เขานั่งเฉยๆฉันให้อาภัยเธอนะเดี๋ยวมันงงเดี๋ยวมันเตะเราด้วยมึงให้อาภายัยกูทําไมต้อมันมีคนผิดเนดะีต้องให้อาภายัยไม่มีทางแก้อย่างอื่นถ้าเราจะอยู่กันแบบสันติสุข ครอบครัวไม่ทะเลาะกันเพื่อนฝูงไม่ทะเลาะกันบ้านเมืองไม่ทะเลาะกันก็คือจบที่อภัยทานอย่าไปหาเหตุผลอย่าไปสาบว่าใครถูกใครผิดก็ต้องมีคนผิดงไงถึงให้อภัยทานมันมีวิธีเดียวเท่านั้นเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแล้วทาไมได้อา น, นิสงส์เยอะจังเลยไม่ต้องเสียเงินสักบาทหนึ่งไม่ต้องพูดด้วยไม่ต้องคิดด้วยอย่างเด็กๆ เ, เขาเล่นกันเห็นไหม เวลาเขาพังเผือกเาชนกันลมมันก็ร้องไห้ลุกขึ้นมามันก็เล่นกันต่อแต่ผู้ใหญ่เราไม่ได้แขนนี้ต้องชำละสิบปียังไม่สายยิ่งเรียนก็ยิ่งเป็นอย่างนี้ผ่านไปเก้าปีสิบเอดเดือนยี่สิบเก้าวันอีกวันเดียวจะหมดแล้วกำลังจะไปนอนคิดถึงหน้ามันอีกต่อวีซ่าไป อ, อีกสิบปีสิบปียังไม่จบนะ ถ้ายังไม่ให้อภัยทานเนี่ยตายแล้วมันข้ามพบข้ามชาติสังเกตนะทุกคนคงมีประสบการณ์ตรงนี้บางทีเจอหน้าในกอเนี่ยหมั่นไส้อยู่ๆก็หมั่นไส้ไม่เคยรู้จักกันเลยเจอหน้าในขอถูกชะตามากถามว่าทำไมวิทยาศาสตร์ตอบหน่อย ตอบสิมันไม่ใช่เหตุผลมันเกิดจากความรู้สึกนะวันนี้พระครูก็คุยกับญาติธรรมที่ด่านเม่นเขาก็เล่าประสบการณ์ทำงานในที่ทำงานก็บอกบางครั้งเบื่อเบื่อบางครั้งเหนื่อยเหนื่อยพระครูบอกว่าไอตัวเหนื่อยนั่นลองวาดให้พระครูดูสิมันมีกี่แขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไร เขาวาดไม่ออกมันไม่มีมันเป็นอุปทานคิดเอาเองก็เหนื่อยเอาเองความเจ็บปวดก็อุปทานนะไม่ใช่ของจริงไม่จริงได้ยังไงมันเจ็บเหมือนหลายปีก่อนเอาแปะสีสมไทยที่เป็นแฟนอาม่าสีสมไทยนะท่านจากไปแล้วลตอนนั้นอายุแปดสิบกว่าครั้งสุดท้ายมาหาพ่อครูพวกครูเห็นแล้วพลังชีวิตอ่อนแล้ว พอแข็งแรงเวียงแข็งแรงดีเพราะท่านเลอะมากเพราะว่าเดี๋ยวปวดนูด่วปวดนี่พราลมปานเพราะไปรับอารมณ์เข้ามาเนี่ยมันเครียดปุ๊บลมปานมันก็ค้างไม่ได้ไปชนอะไรเลยเพอหมุนปุ๊บเดินปานเดินพุบมันก็หายก็ออกไปซิ่งอีกไปยุ่งกับลูกกับหลานก็ไปเอารมณ์ใหม่มาอีกเดี๋ยวก็ปวดขาซ้ายเดี๋ยวก็ปวดขาขวาเดี๋ยวก็ปวดหลังบ้างแล้วพ่อครูบอกอะแปะขาก็ไม่ใช่ของลือ้อเนี่ยมันไปเจ็บจะไปเจ็บตามมันแกแกก็งงไงบอก ไม่ใช่ขาของอ้วนยังไงว่าเดินมามันก็เดินมากับอ้วเนี่ยเห็นไหมมันเจ็บอย่างงี้นะพ่อครูบอกว่าเอาแปะจำแม่ไม่แม่นนะวันไหนเอาแปะกลับบ้านเก่าเนี่ยเอาแปะต้องเอาเอาขาอแปะไปด้วยนะวันที่แกเสียชีวิตเนี่ยพ่อครูก็ไปงานศพเพราะเป็นญาติธรรมรุ่นแรกเลยพ่อครูก็ชี้ให้อาม่าสือสมไทยดูยเห็นไหมเอาแปะเอาขาแก่ไปด้วยไม่ได้ มันไม่ใช่ของเราแล้วแกกบอกว่าก็มันเจ็บอ่ะก็มันเจ็บเอาแปะอย่าไปเจ็บตามมันสิแกบอกทํำยังไงก็มันเจ็บอ่ะพวกคุยยกตัวอย่างว่าเราโดนพึ่งต่อยอยู่ยยหัวแม่มือใช่ไหมเราจะวิ่งไปทายาใช่ไหมระหว่างทางเหยียบตะปูทะลุขาเลยมันมาเจ็บที่ขาตัวนี้หายไปไหนตรงหัวแม่มือหายไปไหนพอกําลังเจ็บขาอยู่ลูกตกบันไดบ้านหัวแตกอยู่เนี่ย ไอ้ตัวนี้ก็ลืมเจ็บแล้วก็ไปเจ็บที่หัวลูกอะ่ะถ้าเราไปยึดมัน่นถือมั่นอะ่ะความเจ็บปวดก็เป็นแค่อุปท า, านนะโลกยกตัวอย่างง่ายๆนะไอ้คู่อริเราเนี่เราบันทึกสัญญาว่าเกลียด ม, มึงมากเลยแค่ได้ยินเสียงมันมาเนี่ยก็หงุดหงิดมากเลยเห็นไหมแค่ได้ยินเสียงเฉยๆเราก็เจ็บมากเลยมันไม่ได้ตีเราสักหน่อยหนึ่งทําไมเจ็บแต่เพื่อนสนิทเราเนี่ตีเรา เอ้ยเอ้ยเล่นแรงนะไม่เห็นไม่เห็นเจ็บเลยเห็นไหมความเจ็บก็เป็นอุปทานเกิดแก่เจ็บตายที่มันทุกข์นั่นมันเป็นอุปทานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นธรรมดาเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแต่ทาไมเราเกิดมาเราล้องให้เพราะมันเป็นอุปทานฝังแน่นน่ะมันแยงมากเกิดทีไรทุกทุกที มันจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีใด ท, ทุกทุกทีสัญชาตญาณจิตเวลานั่นน่ะจิตทุกดวงมันเกิดมาใหม่ๆ ม, มันยังไม่ถูกความรู้ผิดบล็อกไว้มันมีสัญชาตญาณญาณรู้ซึ่งเป็นสัญญาในอดีตชาติเขาจำได้หมายรู้ว่าเกิดทีใด ท, ทุกทุกทีเมื่อวานนี้เมือ่อเช้านี้อาจารย์อ้อยบอกพรกครูว่าเขาเห็นข่าวหนึ่งในเว็บไซต์นะ มีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเลยมันร้องพูดเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าไม่เกิดอีกแล้วทำไมต้องมาอีกมันพูดภาษาอังกฤษแสดงว่าจิตดวงนี้เนี่ยตายปุ๊บเกิดเลยมันยังจำภาษาได้แต่ถ้าเราตายปุ๊บเราไปเออละเหย อ, อยู่นระลกสวรรค์เป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรหลายชาติเนี่ยเราก็ลืมแต่เกิดปุ๊บ แต่ทิ่งที่มันไม่ลืมมันรู้เลยว่าฉันทุกข์อีกต่อไปเกิดปุ๊บมันทุกข์เลยมันก็ร้องไห้ที่มันทุกข์เพราะเกิดเนี่ยเพราะมันเป็นอุปทานแต่ถ้าจิตบรรลุธรรมแล้วเนี่ยล้างอุปทานทิ้งหมดแล้วเนี่ยมันจะรู้ว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วไม่ต้องรอให้มันตายนะเข้าสู่นิพพานนะไม่ต้องรอให้ตายถ้า พระอริยเจ้าเนี่ยพระอริสงพระอรหันเนี่ยคำว่าตายเนี่ยท่านละสังขารนเรียกว่าปัลินิพานแต่ท่านนิพานแล้วตั้งแต่ท่านยังไม่ตายตอนนั้นน่ะร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายท่านก็ไม่ทุกข์ร่างกายมันแก่เราจะไปแก่กับมันทำไมร่างกายมันเจ็บเราจะไปเจ็บกับมันทำไมร่างกายมันตายเราจะไปตายกับมันทาไมอายุเราหลายล้านชาติ แต่ร่างกายนี้อายุมันอย่างมากก็ร้อยปีแต่ทุกวันนี้เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูแค่เขาด่าหน่อยหนึ่งกูก็ไม่พอใจแล้วเห็นไหมไม่ต้องสงสัยว่าวันนี้ญาติจะทําถามพอกูว่าเพื่อนทํางานด้วยกันที่เป็นด็อกเตอร์ทําันมันโกรธง่ายนักเรียกชื่อก็ไม่ได้บอกว่าแม่มันอุตสาหส่งจะเป็นด็อกเตอร์เธอต้องเรียกฉันว่าเป็นด็อกเตอร์ยิ่งเรียนยิ่งอัตราเยอะ ไม่ใช่เรียนเป็นเรื่องผิดนะการเรียนการศึกษาวิชาการเป็นเรื่องกลางๆแต่ถ้าเราไปหลงติดมันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะสร้างอัตตานะอันนี้พ่อครูก็ให้ไม่มีใครสอนใครนะเอาเป็นว่ายี่สิบห้าปีที่นี่ไม่บางอาจใช้สมองโ ง, โง่ๆอายุห5สห้าปีมาสอนจิตไม่กล้าจิตแต่ละดวงเนี่ยมีอายุหลายล้านชาติ เขาฝึกมาเยอะแล้วแต่พระครูมีหน้าที่เอาประสบการณ์ทั้งทางโลกทางธรรมมาบอกทุกคนต้องเดินเองส่วนจะเดินอย่างไรเนี่ยตัวใครตัวมันอย่าเรียนแบบทําไมคนนี้อ้วกทําไมคนนี้กิ่งทํานั่นถ้าอยากให้ไวนะพ่อครูบอกนะเวียงไม้ทิ้งซะอย่าใช้มันไอไม้เนี่ยทําเลยอย่าว่าทําไมทําไมอย่าเสียเวลาไปวิเคราะห์วิจารณ์เนาะ เสียเวลาตั้งโจ์มาแล้วก็ไปดูพระไตรปิฎกแล้วก็ไปดูดิกชเนลลีแปลไทยเป็นไทยไม่เหมือนกันคนหนึ่งบอกนิพพานเป็นอัตตาคนหนึ่งบอกอนัตตาคนหนึ่งบอกเรียวซ้ายคนหนึ่งบอกเรียวขวาแล้วมันจะเอาเวลาไปเถียงกันทำไมทำไมไม่เอาเวลามาเดินทางเดินไปเรื่อยๆมันก็ถึงเองนั่นแหละเอ๊ะเอเอ๊ะนั่งหาคาตอบอยู่นั่นแนหะมันตายก่อน ก่อนจะศรัทธาเนี่ยต้องใช้สติปัญญาเท่าที่มีอยู่เนี่ยดูดีๆเมื่อศรัทธาแล้วอย่าลังเลลุยเดี๋ยวมันผิดมันรู้เองเดี๋ยวมันถูกมันรู้เองบางคนปฏิบัติไปก็ก้าวหน้าแล้วดับหนึ่งเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าพวกครูถามว่าอะไรคือถูกผิด ถ้าเรามีวิทาตายตัวเราบังคับให้ทุกคนทำที่เราสั่งมีวิธีตายตัวบางคนอาจจะทำถูกวิธีบางคนอาจจะทำผิดวิธีอันนี้มันไม่มีวิธีมันจะถูกวิธีผิดวิธีได้อย่างไรเราทำเองทั้งนั้นมันเป็นเรื่องของจิตเราเองไอ้ที่ว่าเข้าทรงมันถูกพลังข้างนอกมาครอบงำเรามันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยกับการเจริญมากจิต อันนั้นคือเอาไซอินคือว่าข้างนอกมาครอบงำเราแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเรามันอินไซอัเป็นเรื่องจิตเราล้วนๆมันแสดงออกมาข้างนอกมันกำลังคายธรรมลมและมันกำลังสอนจิตปัจจุบันเราเรียนรู้โดยไม่ต้องอยากรู้วิจัยโดยไม่ต้องผ่านวิเคราะห์คำว่าธรรมะวิจยะสมโพชงคำว่าวิจัยเนี่ยไม่ต้องผ่านการนึกคิด เราอยากรู้ว่าน้ามันรสชาติยังไงเราก็ดื่มไปเลยก็เมื่อวานนี้ก็มีครูบาอาจารย์มาปรึกษาพ่อครูพกอครูบอกไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินแล้วมันจะเกิดปัญญาได้อย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามยอดทิตเพราะเราคุ้นเคยว่ามันต้องพิจารณาสิมันถึงเกิดปัญญาพ่กครูเคยเอา เอาชาร้อนแก้วหนึ่งไปตั้งหน้าเลยบอกอาจารย์ช่วยพิจารณาหน่อยว่ารสชาติมันเป็นยังไงคาดคะเนเอามันเป็นจินตะมัยาปัญญาจินตนาการเอาเอาประสบการณ์เราสมราะว่าเราเคยเป็นนักดื่มกาแฟพาะครูตัองจะเกิดมาดื่มกาแฟไม่ได้นะแปลกมากเนาะมันไม่เอาถ้าคนเคยดื่มแล้วเนี่ยเข้มหน่อยหนึ่งก็คาดคะเนว่ามันน่าจะขมนะ แล้วถามว่าหวานเท่าไหร่คุณรู้ไหมวิจฉาคดเน็มแน อ, น, อ น, นั้นเขาเรียกว่าวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดการกระทําทั้งปวงหยุดคิดหยุดพูดหยุดการกระทําใดๆทั้งนั้นเหมือนน้ามันิ่งฝุ่นละอองล่องลงมาปุ๊บเราสัมผัสได้ใบไม้เราสัมผัสได้เราก็มีเกิดวิปัสนาแล้วเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่า เราเห็นอารมณ์เราชัดเจนเลยว่าในตัวเรามีอะไรเกิดขึ้นนั่นคือวิปัสสนาถ้ายังพิจารณาอยู่ยังมีการกระทําเกิดขึ้นโซลพิจารณาฉันว่ามีสิบคนอย่างนี้เรานั่งพิจารณานั่งคิดถึงนายก็เราก็เห็นแค่คนเดียวเราก็พาดโอกาสในการเห็นอีกเกคนวิปัสสนาไม่เกิดขึ้นแล้วก็คิดวิเคราะห์ในเรื่องที่เราพิจารณาเรื่องนั้นแล้วอาจจะเกิดความรู้แบบจินตะ มัยปัญญาจินตนาการแต่มันไม่บริสุทธิ์ส่วนมากเรามีกิเลสอยู่เราก็พิจารณาตามกิเลสเราพระพุทธเจ้าไม่ส่งเสริมแต่ไม่ได้ปฏิเสธบางคนคิดปุ๊บบรรุธรรมก็มีบางคนฟังปุ๊บบรรุธรรมก็มีเป็นสุตตะมัยปัญญาแต่มันไม่ใช่ทางสายกลางมันเป็นความสามารถเฉพาะตัวมันเป็นบุญบารามีเก่าพระพุทธเจ้าชี้ทางสายกลางให้เราคือภาวนา มะย์ปัญญาปัญญาต้องเกิดจากการเห็นแจ้งของจิตไม่ได้เกิดจากการนึกคิดหรือพิจารณาตอนนี้พิจารณากันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็เดาสุ่มก็ไปาคาดคะเนแม้กระทั่งเรานั่งกรรมฐานอยู่เห็นโน่นเห็น น, น, น, นี่เห็นตัวเองเคยเป็นอะไรมาก็ไปติดมันอีกพาะครูบอกแล้วว่าเบี่ยงทิ้ง ไม่ใช่เราลังเกียจสิ่งนั้นไม่ใช่เราเวียงสิ่งนั้นทิ้งเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะไปหลงมันทิ้งคำว่าเวียงทิ้งคือเตือนเราว่าอย่าไปติดมันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นอย่าไปคิดเพิ่มเติมนะมีญาติธรรมท่านหนึ่งมาจากกรุงเทพนั่งไปนั่งมาน้ำตาไหลแต่ยิ้มนะปิติมากเลยพะหมดเวลาแล้วไม่อยากออกนะทีนี้เขาก็ ไปเรียกไปทานข้าวพอออกมาแล้วก็มากราบพระครูว่าเห็นพระพุทธเจ้าเนะี่ยไม่อยากออกเลยไม่กล้าเหวียมพุทธเจ้าทิงพระครูว่าพุทธเจ้าเป็นแบบไหนนั่นเป็นแบบพระพุทธรูปเลยถามว่าเคยเห็นเจ้าชายสิทธัตถะไหมนั่งงงนี่แหละที่บอกว่าครูบาจารย์เนี่ย ที่ท่านบรรลุทำแล้วท่านก็เคยบอกว่าเราเห็นจริงแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปทานของจิตมันสร้างนิมิตขึ้นมามาสอบอารมณ์เราเห็นไหมอะไรที่เราศรัทธาไม่กล้าเบี่ยงทิ้งเราถูกตีหัวแล้วก็ติดฌานอยู่นนติดปิติไงวิตกวิจารปิติไผ่บร ม, มาก็าปฏิเคเกิดสุขติดสุขในฌานมันก็ได้สุขชั่วคู่มันไม่ไปไหน ฌานสี่เนี่ยคือเอ ก, กคตารมสัมมถทาการรมฐานสูงสุดคือฌานสี่ถ้าเราไม่ถึงขั้นฌานสี่แล้วเนี่ยเราจะเข้าไปในจิตในจิตไม่ได้เหมือนลูกคางเนี่ยถ้ามันหมุนไม่เต็มที่แล้วเนี่ยมันนิ่งไม่ได้นิ่งนั่นแหละคือเอ ก, กคตารมคือสงบนิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับตรงนั้นข้ามพ้นวิตกวิจารปิติสุมันถึงลอดเข้าไปในจิตในจิตได้ mm hmm. เบียงให้มันเร็วๆไม่ใช่เป็น ชาติหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่บางทีตายก่อนนะเราฝึกมาแล้วหลายชาติพู้เจ้าชี้ทางให้เราฝึกมาหาสติปัฏฐานนะ่ะต้องรวมสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์พอพูดถึงนี้ก็ย้อนจําได้เมื่อกี้พูดอานาปันสติถึงตรงนี้ไม่พูดต่อนะฮะสติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมทําโพชงทั้งเจดให้บริบูรณ์ถ้าเรายังเข้าไปในจิตในจิตไม่ได้เนี่ย อารมณ์โพชฌงมมันจะไม่แสดงตัวเห็นไหมที่เขาวิ่งเขาเวียงเขาหมุนอะไรเนี่ยนะไม่ใช่สมองทำนะสมองแก้งทำสามรอบก็เวียนหัวแล้วถ้าไม่มีสตินี่ก็ล้มลุกคุกคานแล้วเขามีสติสำโพชฌงนี่คือกายเวทนาจะรวมเป็นหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยตอนนี้จิตเป็นตัวสั่งแล้วมาสั่งกายหมุนพอกายหมุนเปนนานเวทนาก็เกิดในเวลานี้ ไม่ต้องพิจารณาเวทนามันเวทนาราก็รู้เฉยก็ผ่านจิตรู้สึกยังไงนะมมันมันพิจารณาไม่ทันเหมือนเรายิงเป้าบินน่ะพอหยิงมาเอ๊ะสีอะไรมันตกก่อนนะชีวิตเราคือเป้าบินเขาด่าเราเขาไม่บอกว่าระวังนะกำลังจะด่านะมันด่ามาเลยใช่ไหมตุ้มเลยถ้าเราไม่เร็วเราตัดทันไหมเสียงด่านั้นคือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามมันเกิดมันดับแต่เราไม่เห็นตอนมันดับ รูปเกิดปุ๊บเวทนาเกิดไอ้สัญญาที่บันทึกไว้ว่าไม่ชอบถูกด่า ว, วีนเลยสังขารก็เกิดว่าเธอด่าฉันฉันเสียเปียบไม่ได้วิญญาณนักสูก้เกิดขึ้นภายในหนึ่งวินาทีขันห้าปรุงครบสูตรด่าวไปคืนเห็นไหมมันเร็วไหมมัวแต่พิจารณาทันไหมแล้วยิงเป้าบินบางทีมันไม่ใช่มาลูกเดียวมันมาหลายลูกพิจารณาทันหม อย่างในชีวิตเราเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นมาเยอะแยะเลยไปพิจารณาทันไหมไอ้ น, นี่ก็ถือค้อนมา น, นี่ก็ถือปืนมาถือมีดมาไปพิจารณาว่าคุณจะสู้กับค้อนกับมีดได้หรือไปยิงอย่างเดียวไม่พิจารณาไม่ตัดสินปัญญาสูงสุดอย่าไปกลัวไม่มีนะปัญญาสูงสุดคืออะไรรู้ไหมคือไม่รู้อะไรเลยและไม่มีอะไรต้องรู้เรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา คุณพิจารณาเรื่องนี้เสร็จมันก็เป็นอนัตตาพิจารณาเรื่องอนัตตาคุณจะไปรู้อะไรเหรอคุณอยากจะรู้อะไรเหรอจะไปนิพพานด้วยความอยากมันไปไม่ได้มีหน้าที่กำจัดมันผู้เจ้าสอนใหี่เราทำสามอย่างทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสไม่ได้สอนให้เรามีความรู้อะไรเพิ่มเติมเลยแค่ทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใส ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลยแค่เอาออกลดละเลิกที่เราทุกข์นี่เป็นเพราะไม่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพราะเราไม่มีเป็นเพราะเรามีมากเกินไปอันดับแรกเรามีกรรมเราถึงได้มาเกิดพอเกิดแล้วเนี่ยเขาก็ให้เครื่องมือดำรงชีวิตเรามาคืออายตนะทั้งหคือตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่ระวังอายตนะขันห้ามันก็ปรุงขันห้าปรุ ง, ป, งปุ๊บสัญญาใหม่ก็เกิดขึ้นทุกทีกรรมใหม่ก็เกิดขึ้นทุกที ที่เราทุกข์เพราะเรามีกมจัดทุกข์ไม่ใช่ไปเพิ่มความรู้เพิ่มนวน่นเพิ่มนี่คำว่าเพิ่มบา ร, รมีบา ร, รมีทั้งสิบนี้เกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมเกิดขึ้นจากการเอาออกแม้กระทั่งปัญญาบา ร, รมีไม่ใช่ไปหาปัญญาใหม่นะมันมีอยู่แล้วเต็มเปี่ยมแค่เราเอาความรู้ผิดออกปัญญามันก็แสดงตัวปัญญามันมีอยู่แล้วทุกคนมีพุทธจิตอยู่แล้ว ไม่ต้องไปหานอกกายเมื่อวันก่อนเดี๋ยวขอเอาขึ้นหน้าหนึ่งหน่อยก่อนจะหยุดเนาะใช้เวลามากแล้วป้าใหญ่ป้าใหญ่อยู่ไหมป้าใหญ่อยู่ไหมฮะอยู่ไหมเออขอเอามาแสดงธรรมหน่อยเมื่อวานกลับมาในเมืองไปกราบพ่อครูมารายงานตัวว่ากลับมาแล้ว แล้วก็ดึงขากังเก่งให้พระครูดูดูแผลเต็มไปหมดเลยว่าลมทุกครั้งมาลาพ่อครูบอกว่าดูแลตัวเองนะไม่เคยดูแลตัวเองเลยมีแต่ดูข้างนอกพระเคยทำงานมาตลอดชีวิตเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มันหยุดทำงานไม่ได้อายุตั้งขนาดนี้แล้วเพราะความอยากพ่อครูใส่เลยไม่ใหญ่สู้ความอยากไม่ได้อันนั้นก็ดีนี้ก็ดี ขยันเกินเหตุเมื่อเราแก่แล้วนี่จิตมันจะเอาเนี่ยร่างกายมันไม่ทันถ้าอยู่ศูนย์นี่ดูแลตัวเองมันไม่เป็นแบบนี้เวลาดูแลตัวเองไหมเช้าสายบ่ายเย็นเราดูแลตัวเองเราอยู่กับตัวเองตลอดอันนี้เราส่งออกตลอดอันนั้นก็ดีนั่นก็สวยนั่นก็อยากได้อยากได้แล้วไม่เคยดูแลตัวเองเลยมันถึงรับกรรมไงแต่ป้าใหญ่ก็มีปัญญา และอายุมากแต่ป้าใหญ่เคารพพ่อครูแกบอกในโลกนี้ไม่มีใครกล้าว่าแกเพราะว่าชีวิตแกก็สำเร็จแกต่อสู้มามากแกรู้หมดแกบอกพ่อครูเอาหน่อยหนึ่งเอาอีกหน่อยแกพูดเองว่ามันเป็นสันดานแกบอกถูกแล้วป้าใหญ่มีปัญญาแล้วรู้ว่าเป็นสันดานต่อไปอย่าตามใจมันอีกค mm ํ hmm. าว่าดูแลตัวเองถ้าเราดูแลตัวเองบ่อยๆเนี่เราก็ต้องรู้ว่า สังขารมันแก่แล้วหยุดได้แล้วอย่าไปสนองความอยากพอพลาดมาก็จำพูดพ่อครูได้บอกก็ดูแลตัวเองไม่ดูอีกแล้วเห็นหมอย่าไปโทษคนอื่นนะมันเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นไม่เกิดจากความอยากก็ดับตรงนี้นี่คือคือธรรมะนะปิดท้ายเนาะก็สุดท้ายนี้พ่อครูขอขอระตนาคุณพระศรีละตนาใย